เหนยวรีวิวครับผมไม่จาแนงนังเืองหน่งอาใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการหนังเหนียวครับก็คือรายการอะไรครับมึงต้องแนะนำตรงนั้นมึงไม่เอาน้องอูก็ลืมมาเขาใหม่เขาใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังเหนียวครับผมเบิร์ดครับผมบิ๊กละรายการหนังเหนียวรีวิวของเราเนี่ย จะมารีวิวหนังครับขอต้อนรับข้อสู่ช่วงแรกของเราก่อนเลยนะครับช่วงนางเหนียวชนลงครับวันนี้เราไปดูหนังบริกันนะครับคุณเบิร์ดใช่ครับผมหนังเรื่องอะไรครับหนังเรื่องลืมชื่อเรื่อง Fantastic Beast and the r e to f i t h e m ชื่อไทยก็คือชื่ออะไรวะเออสัตสั ต, สตมหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ของแม่งสัตมหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ <c oughs> คือก่อนที่จะดูเรื่องเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าหนังเรื่องนี้ คือภาคต่อของแฮร์รี่คือว่าง่ายคืออย่เรียกว่าภาคต่อต้องบอกว่าจักรวาลเดียวกันแต่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วส่วนตัวคุณเบิร์ตชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมครัก็ชอบอยู่นะฮะคือจําจเเําได้ว่าตอนเด็กๆ เ, เนี่ยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เด็กมากแต่ว่าคือแม่สะพานไปซื้อดีวีดีเขาว่าถามว่าจะเอาเดอร์ลอร์ดเอาเะดิงหรือจะเอาแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วคุณเลือกเดอร์ลอดเนี่ยตอนนั้นมันครบสามภาคแล้วโอ<ห>้แต่แฮร์รี่ยยังไม่ครบ มันภาหนึ่งภาคสองภาคสาแล้วคนเลือกแฮร์รี่พอตเตอร์โถ <laughs> ตายอะไรที่ น, นั่งสายแว่นคือถ้าเป็นผมอะยังไงผมก็เดลลอร์เดลลอร์คือส่วนตัวตผมเนี่ยผมเป็นแฟนเดลลอร์และแฮร์รี่แต่แฮร์รี่เนี่ยผมมันมันคือหนังเด็กด้ะ่ะผมดูตั้งแต่ภาคแรกภาค2เป็นหนังที่สาวๆอยากดูกันเยอะแล้วเราก็โอเคไปดูกับสาวๆคือเราเป็นคนดูหนังเยอะอยู่แล้วแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์เราก็ไปดูแต่โดส่วนตัวเราดูเรารู้สึกมันเป็นหนังเด็กดูได้เรื่อย แต่ไม่ได้มีความบุยหวาหรืออะไรที่ถกจริตเราเต็มที่แต่ดูได้คือถ้าไม่มีคนชมไปดูแตห่หนังเรื่องนี้เราก็ไปดูคนเดียวได้ทีนี้พอแฮร r y ี่พอ e เตอร์เนี่ยมันฉายไปเจ็ดภาคใช่ไหมฮะจนเจ็ดจดสองเราดูเราก็เฉยเฉยเฉยเยเฉยเฉยจนมาหลังหลังเนื้อเรื่องมันเข้มข้นเราเริ่มชอบขึ้นเรื่อยเรื่อยือรคือตัวละครมันมีพัฒนาการเราดูตั้งแต่มันยังไม่เฮือมอยะ จนมันหม่ยมันถ้าจะเหมาะไปแล้วความดูแลมันน้อยในตอนนี้เองแต่พอต่อหลังนี้โอ้โหยิงเว้กระจายซัดกันเต็มเหนียวมันก็เลยโดนแล้วพอแฮร์รี่พอตเตอร์จบปุ๊บแล้วก็เจไดที่จักรวาลนี้มันมาตันมาสุดแค่นี้เรารู้สึกว่ามันควรจะไปได้ไกลกว่านี้จนเวลาผ่านไปมันก็มาเกิดเป็นแฟนสตัติกบีเอ็มแบร์ชูไซเดียมซึ่งวันนี้เรามีโอกาสได้ไปดูด้วยกันมาคือต้องบอกก่อนว่า เอ่อหนังเรื่องนี้กำกับโดยเดวิดเยสเดวิดเยสเนี่ยเป็นใครครับรู้จักไหมฮะเดวิดเยสเป็นคนที่ชื่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมเดวิดเยสเนี่ยถึงได้ถึงได้มากำกับเรื่องนี้ต่อแต่โดยแต่โดยรวมแล้วอ่ะคือแฟนๆอ่ะรอรออยู่แล้วเพราะว่าจักรวาลพอมดแม่มด่ะในในแฮร์รี่พอตเตอร์มันกว้างใหญ่มากัโอไว้ดีมากในตอกใช่มันมีทั้งเรื่องของสัตว์เรดมอน มีเรื่องของกระทรวงการเมืองโรงเรียนเว้นเนเนี่ยมีสังคมมีอะไรมีการแบ่งแยกพวกเอ่อพวกแม่มดแล้วก็พวกคนธรรมดามักเกิลอ่ามันเลยมีความน่าสนใจที่ว่าจะต่อยอดเนื้อเรื่องแตกไทม์ไลน์ออกไปอีกถ้าสมมติว่าคุณเจเคโรลิงเนี่ยคือที่เป็นที่เป็นผู้เขียนบทหนังเรื่องนี้ผู้เขียนหนังสือด้วยอ่าก็คือเขาจะเลิกไปเนี่ยแต่ว่ามีคนต่อนะแน่คือกาิปนี้ จะคล้ายๆกับรูคัดฟิล์มที่ขายให้ใหกับดิสนีย์อ่ะมันจะต้องมีการไปต่อแล้วไปได้ไกลผมรู้สึกโชคดีนะที่ลูกผมเกิดมาในในยุคที่มีนิยายดีๆหลายเรื่องอที่จะทำเป็นหนังทำเป็นซีรีส์ทำเป็นอะไรรอให้ติดตามอยู่มันไม่เหมือนยุคเรามันไม่เยอะขนาดนี้เนา ะ, ะยุคราก็จะมีแค่ไม่กี่เรื่องเดิมๆมีการคาดหวังัหมก่อนที่จะไปดูหนังกัมาที่หนังเลยเนาะโอเค ความคาดหวังนี้ครับมีอยู่แล้วก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยมันหลุดมาหนะักเข้าพื้รหัสวันนี้วันอาทิตย์แล้วนะอ่าใช่ใช่สวันสปอยมาเยอะมากเราพ <c oughs> ยายามหลบสปอย <c oughs> ยกตัวเต็มที่หลบเราก็ไม่เจอในเว็บในอะไรมากแต่เราก็รู้ว่าเฮ้ยคนเขาชอบแค่ไหนคนที่ไปดูมาคนที่มาเม้นมาอะไรนักวิจารณ์ท่านอื่นๆคิดเห็นยังไงบางคนให้เต็มสิบบางคนให้แปดให้เก้าคือมันมาเยอะมากแล้วเว็บหักที่เราตามมาตลอดเป็นมาตรฐานในการประเมินตาม แบกเป็นแบบอย่างเราคือ IMDb IMDb นี่แปกนะครับแปลกกว่าแตลกกว่าณปัจจุบันนีใช่ใช่ซึ่งหนักแตลกกว่าเนี่ยโอเคมันอาจจะอยู่ที่จํานวนคนด้วยคนดูคนที่เข้าไปรีวิวจำนวนแค่ไหนใน IMDb นี่จํานวนนี้ถ้าจำไม่ผิดนี้เกือบจะหลักหมื่นละนะใน IMDb ซึ่งแต่กว่านี้มันเยอะมากมันทําให้แตลกเท่าไหร่ปะดหนครับโอ <8. 1 S 2> ้แปคนจากคนเท่าไหร่29งหมสูงมากนะ ถื่าสูงหรอตอนนี้ถือว่าสูงเลหมายถึงว่าสองหมนเก้าสองมืก้ได้แปดจุ่สูงมากาคือถ้าจะลงเนี่ยเต็มที่เลยจะลงอยู่เจ็ดปลายเจ็ดจุดปดเจจุดเ้าจะไม่สูงกว่า น, นี้ต่อให้ขึ้นหลักแสนแต่ไม่แน่อาจจะขึ้นไมได้คนไปดูอแต่ผมเห็นขนาดนี้แล้วผมคิดเลยว่าคือเราจะไม่ต้องความหวังสูงกว่านั้นแน่เพราะเรารู้แล้วว่ามันมาส่งเราเผือใจไปแล้วว่ามันจะต้องดอกกว่าที่เราที่ที่เราเห็นแล้วพอเราไปดูเนี่ยมันก็ดอกกว่าจริงๆ มันมเป็นตามที่ผมคิดแล้วว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้ผมตั้งเป้าว่าใจผมต้องให้เจ็ดเรื่องนี้ก่อนดูผมคิดว่ามันจะต้องอยู่ประมาณเจ็ดถ้ามันเกินเจ็ดนี้คือสะายมากเรื่องเนี้เขาให้แปดแต่กูไม่เชื่อหรอกหนังอย่างเนี้ย อ, อทําได้แค่เจ็ดในใจเราผมพี่ดูผมให้เจจุดห้าครับผมประเมินข้อมูลมาแนี่แบบเราไปดูกันมาไม่เกินถึงตอนนี้ไม่เกินสี่ชั่วโมงนะผมประเมินเลยเจ็ดจุดห้านะความรู้สิกหลังดูเสี่ชั่วโมงนผมนี่มันไม่ถึงเจ็ดอ่ะมันหกกว่า แต่มัน6กว่ากวเยอะนะข้อไม่ทัน7เพราะว่ามันยังมีความอะไรบางอย่างที่ยังรู้สึกยังรู้สึกกับมันว่ามันยังไปไม่ถึงบ้างหรือว่ามันยังมีความสนุกไม่พอบ้างอะไรอย่างเงี้ยเลยเลยเลยแบบลดลดตัดคะแนนมันนิดนึงเร า, าพ<ว>ูดถึงสิ่งที่เราชอบในหนะคุณเบิร์ตชอบอะไรชอบนะอะไรเนี่ยนะแล้วสิบดูแล้วแล้วสิบชอบชอบอะไรหลักๆเลยมันเป็นเรื่องสัตว์นะเออหนังเรื่องเนี้ยคือคือเขาพิเศษเรื่องศัตว์เป็นหลักอยู่แล้วล่ะ น, นี่คือโปเกมอนโก้ไหม <laughs> ถ้าคือเอาโปเกมอนบอลคว้างไปในสัตว์เนี่ยไม่ใช่ใชแล้วไงแต่นี้ใช้กระเป๋ามาซับจันนะในการจับคือตัวละครของสัตว์เนี่ยมันถูกดีไซน์มาบางตัวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะคือผมไม่ทราบจริงว่ามันเรียวกว่าตัวอะไรบ้างนะบางตัวก็ดีไซน์มนดีบางตัวก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้หลุดไปจากสัตว์บางประเภทสักเท่าไหร่นะ หรือความที่ลึกที่ล่านในมนตราอํานาจมันเนี่ยก็ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกมันมีการดีไซน์สัตว์ที่เรารู้สึกว่าเฮียตัวนี้แม่งแม่งไม่มีอยู่บนโลกนี้มนในโลกเว้นหมดทั้งนเลยใช่มันยังไม่รู้สึกว่าเราลองว้าวขนาดนั้นเออผมมีนะผมตัวสุดท้ายจุดอะไรครับไอตัวมันเหมือนนอฟฟี่นิกไปตัวตอนจบอะที่มันบินแล้วแม่งโอ้โหคือในโลกจริงไม่ไม่มีสัตว์อย่างนี้แน่อ่ามันเป็นตัวที่ที่เป็นตัวคีย์หลักในเรื่องเขาเรียกอะไรดีออะเอามาแก้ไขปัญหาในตอนจบเหอเป็นสัตว์ให้เอก กลอพอสมควรนะสัตว์ตัวเนี้แต่ว่าพูดถึงว่าโดยโดยภาพรวมแล้ว่มันยังมันมันทำให้สัตว์แต่และตัวเนี่ยมันมีชีวิตที่ก็น่ารักดีถามว่าชอบไหมมันก็ยังไม่ยังไม่ถึงขนาดอ่ะโอเคแต่แ ต, แต่คือเราเราพูดถึงว่าสัตว์เนี่ยมันเป็นหัวใจหลักของเรื่องมันควรจะทําได้ดีกว่า น, นี้แล้วกันนี้เราลองพูดว่าสิ่งที่ชอบอะไรใช่มันชอบและไม่ชอบในตัวของมันชอบตรงนี้แต่ไม่ชอบตรงที่ว่าเอามาเล่นแล้วเล่นไม่สด เออคือแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยจะเน้นไปที่หลักๆคือพ่อมนแม่มดแล้วก็การเรียนการศึกษาการเรีย น, <า>ยนใช่เป็นแบบวัยเด็กขึ้นมาแล้วก็ไปสู่ไปกา ร, การเรื่องที่่งใหญ่ขึ้น ก, กออับลอย่างเรื่องนี้ธีมหลักคือเป็นเรื่องของสัตว์เพราะนั้นสัตว์มันต้องแบบว่าเจ๋งจริงเจ๋งที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันขับเคลื่อนให้หนังไปเป็นหนังเรื่องนี้อย่างเป็นตัวเป็นตนได้แต่เรื่องนี้มันรู้สึกว่าสัตว์ยังไม่ถึง เพราะชื่อเรื่องมันแปลเป็นไทยนะภาษาอังกฤษผมไม่พูดละสัตว์มหัศจรรย์และสิ่งที่อยู่สัตว์มหัศจรรย์มันควจะสัตว์ว่านี้มันควรจะสัตว์สิ่ง์กวนี้อืมันดูมันดูยังไม่ค่อยสัตว์สิท่์พอที่จะรู้สึกว่ามันล่องว้าวกับทุกตัวที่เราเจอคืออย่างลองลองนึกถึงว่าถ้าถ้าคุณเล่นโปเกมอนโกหรือว่าได้ตามการ์ตูนเรื่องโปเกมอนอะไรเงี้ยนะคือสัตว์ต่ละตัวมันจะมีความความพิเศษความพิลึกี่ลั่นงมันอยู่แต่เรื่องนี้ยังเล่า มันยังรู้สึกว่ามันมีสัตว์ในตํานานเนี<ฮ>่ยปกกมวลที่แม่งจับยากโคตรอย่างเงี้ยแล้วมีพลังที่แบบโอเวอร์ชิ้หมายเลยแล้วใครได้ครอบครองรู้สึกแบบแฮปปี้มากแต่ตัวเนี้ยถ้าหากว่าแต่ละตัวในเนี้ยเรารู้สึกครอบคองแล้วเราต้ังไม่ไม่รู้สึกว่ามันมันมีความหมายอะไร<ฮ>มากไหมาอัน อ, อันนี้คือที่ชอบแล้วไม่ชอบอ่าเข้าใจว่ามันมีจุดหนึ่งที่บอกว่าคุณคุณอะไรนะคุณนิ w s นิวก <News, S 2> <c oughs> ็คือตัวเอกตัวละครเอกในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่า <News S 1> ถ้าผมไม่ช่วยคู่เนี้ยสัตว์คู่นี้ไว้เนี่ยมันจะสูญพันธุ์ไปเลยนะเอ อ, อนี่คือแบบเซตสุดท้ายแฟมิลี่สุดท้ายในโลกใบนี้ผมแบบเจ็บไวให้ห่างจากสิ่งที่อันตรายสุดคือมนุษย์ออันเนี้ยเราเลยรู้สึกกับมันว่าแบบเฮ้ยมึงคือมึงคือนักพิทัก์สัตป่ามึงคือสึกนะครับสัตยาดิ้นเมือนผมเลยคือมันทำให้เราสึกว่าอ๋อเออคือคือตัวตนของ คุณนิเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองแลยรู้สึกว่าเข้าใจเข้าใจตัวละครนี้มากขึ้นเข้าใจว่าอ่าคือไม่ใช่คนที่คอลเลคชันสัก์แต่เป็นคนที่ดูแลและปกป้องมันแต่จุประสงค์เขาคือการเขียนหนังสือนะเขาอยากจะวิจัยเพื่อเขียนหนังสือเพื่อที่จะทําให้ทุกคนได้รับทราบว่าสัตว์ตัวนี้มันเป็นยังไงมันมันกินมันอยู่ยังไงมันไม่อันตรายนะคุณต้องใช้มันให้ถูกวิธีหรือว่าพิษของมันสกัดมาแล้วใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง มันทําให้เราประทับใจตรงนี้ว่าอ๋อเฮ้ยนี่มันคือจุดเริ่มต้นของนักวิจัยสัตว์ที่แม้แต่คนในโลกเวทมนต์เน่ะยังไม่เข้าใจสัตว์พวกนี้ยยังเกรงกลัวต่อมันเราต้องจับเราต้องขังเราต้องฆ่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนนี้คือให้เป็นคนเดียวที่เออกลต้องรกไว้ต่อสู้เพื่อจะมาวิจัยให้ทุกคนได้ทั่วโลกเข้าใจนักวิจัยคนนึ่งอ่ะมอนเซอร์อ่ะสิ่งที่ชอบและไม่ชอบใช่ใช่่มันมีความร้อนแรงกันอยู่นิดนึงนะผมเอาประเด็นของคุณนะผมก็เสริมไปแล้วกัน คือสิ่งที่คุณมองในเรื่องของการที่เอาสัตว์มาเล่นเนี่ยแล้วก็ทําได้ในระดับนี้เนี่ยรู้สึกใกล้ชินกันนะรู้สึกว่าเฮ<ม>้ยเอาสัตว์มาสักโผลมาเยอะแต่มันเล่นกับสัตว์ได้ไม่เต็มเอาสัตว์มาอันนี้เราสปอยเรื่องเลยนะสัตว์หายตาหนาสา้นแล้ว<ม><ม>คือที่สงสัยคือมึงปิดกระเป๋องไงวะมึงไปซื้อกระเป๋าใหม่ดีไหมถึงติดไม่สนิทอะ่ะแล้วก็กระเป๋าเปิดกระเป๋ารลุดกระเป๋าอะไรของมันแล้วคือจุดประสงค์คือมึงต้องการที่จะพระเอกนิวต้องการที่จะเอาสัตว์มาที่นี่เพื่อจะเอามาปล่อย เอาตัวนี้มาปล่อยนี่คือถิ่มของมันถิ่มที่อยู่ของมันต้องมาให้มันอยู่ในที่ที่มันควนโยนะั่นคือที่เมริกาเราก็มาแล้วก็ทําสัตว์ลงแล้วก็ไปเจอสภาอาการเมืองเจอโน่นเจะนี่ตะลองรู้สิแบบคือมันเห็นสัตว์แต่มันไปไม่สุดอะ่ะ ร, รู้สึกใกล้เคียงกันคือมึงผิดคือเล่นเรื่องนี้ดีแล้วแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกและน่าสนใจเรื่องสัตว์ในโลกเวทมนแต่การเล่นสัตว์มันไม่สุด มันเล่นการเล่นสัตว์มันไม่สุดจริงๆคือต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ที่ทำให้อยากดูที่สุดเนี่ยไม่ใช่อะไรอื่นไกลแต่คือนักแสดงเอดดี้เอดดี้ไรแมนเนี่ยเราชอบเขาตั้งแต่เรื่องที่เข า, าแสดงเป็นคนพิการที่นั่งอยู่ในรถเข็นแสดงเป็นสตีเฟนฮอปกินสเราชอบมากแล้วเรารู้สึกนักแสดงคนนี้มีขอเขาได้ออกกา้ามาได้อะไรมาแล้วเราแบบเราพยายามดูเขาเล่นบทที่โดนจริงๆคือนักแสดงที่ดีเนี่ยมันต้องเจอกับบทที่ใช่ และบทที่เขาได้แต่ละอันไปเล่นหนังหลายเรื่องมากเออแล้วก็เขาเนี่ยเล่นหนังหลายเรื่องแต่บทที่คือผมเห็นว่าเขาเป็นคนมีของอะเหมือนกับเหมือนถ้าเพียแบบเพียบเป็นหารก็คือเป็นอาหารที่แม่งมีทั้งปืนเก่งทั้งปืนเก่งทั้งมีดเก่งทั้งธนูใช้ได้ทุกอย่างตั้งแต่ขี่เป็นอาวุธยันอาวุธทุกอย่างแต่ส่งเขาไปลบในสงครามที่มันเล็กน้อยมาก สงครามอาวสงครามนี่ยคือเขาต้องควรได้เป็นรบในสงครามที่ใหญ่กว่านี้คือเป็นนักแสดงแต่ได้บทที่มันธรรมดามากบทที่ดีที่สุดก็คือที่ได้เป็นสตีเฟนฮอว์กินที่ผมดูเรื่องนี้เลยนี่เข้าเดอะเทอร์เรีย e อาเองเปจริอ่านี่คือที่ผมชอบที่สุดแล้วก็อ่าจูปิเตอร์อะไรนะอันนั่นแหละจูปิเตอร์เอ็กซิเดนต์ของพี่น้องรอสกี้เนี่ยเขาเล่นเป็นตัวร้ายแล้วผมรู้สึกแบบขอมันดีแต่เขาทาแบบเหมือนบทนี้มันส่งให้เขาน้อยมากเ้รอวันที่เขาจะได้ปล่อยของแล้ววันนั้นก็มาถึงคือเรื่องนี้ ้เ ร, เรื่องนี้ถือว่าดีไหมชาแสดงของเขาที่รอคอยคือความคาดหวัง ม, มันดีอยู่กับนักแสดงมากกว่าที่<อ>จะเป็นเนื้อเรื่องตรงนั้นคร<อ>ับผมมัน เ, <อ>เลยไปมุ่งเน้นที่เรื่องนั้นเยอะเรามาปุบมันเล่าเรื่องมาตลอดเรารู้สึกเลยเฮ้ยมุงหงีดกับตัวละครวะรู้สึงุดหงิดตั้งแต่แรกที่ดูเลยคือตัวละครมันมันมันขี้อายเรารู้ว่าเป็นหนุ่มมากิดขี้อายคาแรคเตอร์มุงงี้แล้วเราดูแบบทำไมไม่สื่อสารไม่เข้าใจง่ายๆทําไมไม่ทําอะไรอย่างมุ่งงี้เลาเรื่องเปิดเรื่องมา เขาพยายามสื่อสารจะสีหน้าแววตาทุกอย่างเขาใส่ความเ ป, เป็นนักแสดงของเขาไปในเรื่องแต่เรารู้สึกหมุนหิดทั้งที่เราชอบเขาเราควรจะแฮปปี้เรากับรู้สึกหมุนหิดกับการที่ว่าแบบคุณแบบเฮ้ยทําไมสื่อสารอะไรอย่างนี้ออกมามแสดงอย่างนี้ออกมาให้คนดูได้เห็นเรารู้ว่าเขามีของแล้วเขาแสดงเหมือนกักกักกกกในช่วงแรก แล้วก็การเล่าเรื่องช่วงแรกค่อนข้า ง, างน่าเบื่อสําหรับเราเราแบบว่าเปิดเรื่องมานางเอกมายังไงเหมือนทุกคนมีอะไรบางอย่างที่พูดไม่ได้เก็บงาไว้ข า, ขาดกเกินใช่ข า, ขาดกันเกินอย่าเรียกว่าข า, ขาดกันเกินเรียกว่ากักๆักันไว้ในช่วงแรกจนมาถึงกลางเรื่องเป็นช่วงปล่อยของตัวละครเรารู้สึกหมุดหนงงจากการแสดงของตัวละครเกือบทุกตัวในเรื่องมากในช่วงตน้นไม่ว่าจะเป็นพระเอกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพระเอกที่ว่าเป็นมังเกอร์คุณเจค เล่นเล่นเล่นเจคอฟโควสซกี้แอบคุณแดนฟอสเทอร์คนไหนคนที่เป็นเพื่อนคนอ้วนเนี่ยเจคอฟเรารู้สึกให้ตัวละครตัวนี้ไม่โคตรธรรมดาเลยตอนแรกที่เราดูนะคือเป็นคนธรรมดามากไอ้อ้วนคนนึงคือจะบอกว่าทั้งเรื่องเนี่ยไม่มีตัวละครที่มีเสน่ห์อะมีมีผมรู้สึกตัวละครตัวหนึ่งที่รู้สึกน่าสนใจมากนั่นก็คือแล้วผมไม่ได้คาดหวังด้วยไม่ได้จํำชื่อตัวละครไม่ได้แต่คอรินฟอเรลเล่นคือมันคุณเพอร์ซิวเวลเกฟ มือปากมานใช่เหมือนกับเป็นผู้มีเป็นมือปากอันดับต้นๆเป็นเหมือนกับตํารวจใหญ่ของสายเวทในนิวยอร์กในในในในอเมริกาดูเก่งเกินมันคือเรารู้สึกตัวละครนี้มีของแล้วแบบมันน่าสนใจทุกคำที่เขาโผล่เขาแสดงได้แบบอ้าวมิดมันมีอะไรน่าสนใจเป็นตัวละครที่เราอยากจะตามไปเรื่อยๆแต่พระเอกเหมือนเหมือนเหมือนกักอันนั้นเหมือนไม่ได้กักแต่ยังไม่ถึงเวลาโชว์มันไมดมาต่างนะมีของแต่ยังไม่ถึงเวลาโชว์แต่นั้นเข้าใจเข้าใจโชว์ได้ไม่โชว์กักไว้แล้วรอรอดูถึงเวลาที่เขาปล่อย ไม่ว่าจะพระเอกไม่ว่าตัวละครอื่นนางเอกหลายตัวมากแล้วก็ไอไอหน้าบอบอะผมบอบอะไอผมบ๊อบอะไอไอตัวที่มันระเบิดพลังได้ตอนหลังอะผมบอบคือถ้าเกิดคนดูจะรู้เลยผมหมายใครบ๊อบเด็กน้อยอะเด็กเก็บกดอ่ะเราเราเราขอตั้งชื่อตัวละครใหม่แล้วกันนะว่าจะเป็ตั้งให้เขาทำไมเก็บกดผมบอบอ่ะงั้นไปหาชื่อมาไอเด็กเก็บกดเนี่ยเราดูปุ๊บเราก็รู้เลยแม่มีของขึ้นหนังเรื่องนี้อุดมไปด้วยนักแสดงที่มีของเยอะมาก แต่เรารู้สึกว่าช่วงแรกคนที่ทําให้เราประทับใจได้คือคอลินฟอเรลตัวเพกยังหลายตัวยัง <He dance. S 2> คนนี้โอเคนะในช่วงแรกเรารู้สึกเลยให้เขามีของแล้วเขาร <It 's S 2> อป <far. S 2> ลอ่อย <Miller. S 2> คือเรื่องเนี้ยนักแสดงทุกคนมันเป็นเต็ไมไปด้วยคนมีของรอปล่อยนักเอก mm. นักเอกเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขามีผลงานอะไรบ้างเราก็ไม่ได้สนใจเขา mm. เขาเล่นการแสดงเขาก็ค่อนข้างโอเคแต่ก็ไม่ได้ดึงดูดหรือแบบประทับใจถึงหน้าติดตามมากไม่ได้อยู่ในสายตาเราเท่าไหร่ mm. แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับที mm. ่เขาเล่นโอเคมากแต่ คอลิมฟอรเรลเนี่ยดึงเลยพระเอกเนี่ยดึงแบบมุนหิดเหมือ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะความคาดหวังของเราจนมาถึงช่วงกลางเรื่องผมว่าความสนุกมันมันอยู่ในหลังเรื่องนี้นะช่วงแรกเป็นช่วงเกิน <ừ> ดูเรื่อยๆไม่มีอะไรโดดเด่นไม่มีอะไรมันไม่ได้เบื่อแต่ก็ไม่ถึงกับชวนให้สนุกตั้งแต่แรกมันไปสนุกตอนที่ทั้งคู่จะโดนฆ่านั่นเองแล้วนั่เองออสําหรับมผ ม, มความสนุ ก, นกความน่าสนใจของเรื่องไปโดนที่ตอนจับแล้วก็ถูกตัดสินให้ประหาชีวิตโดยคอลิมฟอเรลผมเนี่ยแหละแล้วผมก็รู้สึก เฮ้ยทำไมต้องประหารวะมันมีคำถามมากมายที่เรารู้สึกงุดหงิดตั้งแต่เรื่องเริ่มต้นที่ตัวละครมีปริศนาซ่อนอยู่อะไรเยอะแยะมากมายแล้วกระเจอประเด็นว่าต้องฆ่ากันเลยหรอแล้วพระเอกก็หลุดออกมาแล้วก็ลากยาวคือพอไปถึงตอนนั้นน่ะมันทําให้เราเริ่มรู้แล้ ว, วังาฮิกตัวละครเนี่ยตอนนี้ทุกคนมีประเด็นแล้วก็มาถึงตอนที่น้องนางเอกอ่านใจได้ไปถึงไปพูดเรื่องอประเด็นว่าเหมือนกับพระเอกเคยมีปัญหาในชีวิตเรื่องกับผู้หญิงคนหนึ่งที่โรงเรียนเก่า ตอนที่อยู่ออฟฟอร์ดใช่ไหมปินนี่โกสตินอืมเขาก็พูดเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยทุกตัวละครมีปมจังหวะนั้นเราก็เกตทันทีว่าหนังเรื่องนี้คือเรารู้อยู่แล้วแต่แรกว่ามันไม่ได้จบในภาพเดีย ว, ยว ม, มันแค่เปิดประเด็นนี้มันเปิดมาเราอยากดูว่ามันจะไปต่ อ, อยังไงซึ่งเรารู้เลยว่าประเด็นนี้เปิดมาเพื่อไปขยายในภาพ ต, ต่อไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งเราก็เป็นคนเบื่อหนังภาคต่อตรงนี้เหมือนกันคือรู้สึกเสียดายตัวละครตรงที่ว่ามันว่าใช่มันอันจริงๆนะ มันมีบางอย่างแล้วอย่างตอนฉากในห้องสืบสวนนะ่ยที่ที่สกายแมนเดอร์โดนจับแล้วเกรฟเนี่ยเป็นคนมาสื่อสวนว่า ค, คุณมาทําไมสับตัวนี้ใช่ไหมที่คุณตามหาหรือคุณเป็นคนปล่อยออกมาหรือเปล่าแล้วมันมีคําถามหนึ่งที่เขถามว่าทําไมคุณถึงเรียนไม่จบหอกบอร์ดแล้วทำไมอ่าแอมบัสดับเบิลดอลเนี่ยเป็นปลื้มคุณรัตแล้วเขาตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรประมาณนี้ป่ะอ่าผมผมไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษเขาเขาใช้คําว่าอะไรนะแต่เขถอดตัวแต่ประมาณว่า ผมตอบไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยไอ้คำว่าผมตอบไม่ได้เนี่ยเอาราเอาเาจากที่แปลไทยมาเนาะผมตอบไม่ได้คือคือกูมีความลับหรือผมตอบไม่ได้ที่กูก็ไม่รู้เมืกันว่าเขาปืมอะไรกูอืมคือตรงนี้ยถ้าแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์หรือคนอยากหนังสือมาจะเก็ตทันทีแต่เราคนดูหนังเราไม่เก็ตใช่ใชแต่ก็เข้าใจเข้าใจว่าคือไอ้ตัวพลงเนี่ยมันเป็นคนดีมันมีคนชอบแล้วคนไม่ชอบซึ่งคนชอบเพราะอะไรเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเหมือนมันนั่นแหละ แต่คน<ม>ไม่ชอบอะไรบอกได้เพราะกูก็รำคาญมึงเหมือนกันคือมึงสื่อสารกว่าจะคือเขาเป็นคนที่อาย<ะ>ที่อายคือคาแรกเตอร์ตัวละครแล้วมันดุเงินงีดอะแล้วผมก็มุินงีดกับเรื่องจนผมได้ฉีกํำคาญนักสแสดงไปด้วยแหละคือตอนแรกอะที่ที่ประกาศมาว่าคุณเนดดี้เลมอนเนี่ยได้รับได้แสดงเป็นตัวนําของหนังตกใจมากที่นั่ น, นนะคือแบบเฮ้ยคนนี้หรือวะมันจะหมาะเหรอไม่จะหมาะหรอเปล่ผม่อกได้แล้วว่าคนเนี้โคตรหมาะเลยผมไม่รู้หรอกว่าคนเนี้ย บทจริงจนักแสดงคนจะเป็นไรแต่ถ้าเอ็ดดี้ไลมอนมาเล่นเนี่ยมันต้องได้แล้วบทนี้มันตั้ง5้าภาคเขาต้องเ ล, เลยแล้วว่าต้องคนนี้เท่านั้นบองตรงว่าดูหนังจบปุ๊บบอกได้เลยว่าแมงแคดดีมากคือตอนแรกลำคานครึงเรื่องเนี่ยลำคาน ห, หลังจากครึ่งเรื่องไปเนี่ยิออโอ้โหพี่เขามาเริ่มแสดงออกสีหน้าแววตาทุกอย่างเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆมาแบบอันอันเหมือนเดิมอันอนเหมือนเดิมจนเราก็ลำพานในความอันแต่ในฉากแอคชั่นหรืออะไรสิ่งที่ ไม่แง่เรานิดถึงความเป็นคนนะถึงแม้จะเป็นพ่อมดแต่มันก็มีความเป็นคนเหมือนกันสิ่งที่เขาต้องทําถึงเวลาที่ต้องช่วยเพื่อนเขาช่วยถึงเวลาที่ต้องเสียสละเขาทําถึงเวลาที่เขาอายเขาอายถึงเวลาที่เขาต้องพูดต้องแสดงออก<ม>เขาไม่พูดเขาไม่แสดง<ผ>มอมรู้สึกว่าสําเน่เขาว่าตัวละครนี้นะอ ม, มันยังออร่ามันยังไม่ออกออราของสเน่ตัวละครตัวนี้มันยังไม่ออกคือมนันมีแล้วมันเก็บแล้วมันเห็น มันยัง ม, มันยังไม่ออกแบบจนรู้สึกว่าเฮ้ยแป้งใช่เงี้ยใช่พกแต่โผมากะคิดเหมือนคุณเลยเแต่ถอดสุดท้ายฉากสุดท้ายก่อนจบผมากออกเลยนักสนแสดงตีบทแต่ผมก็กลับมาชอบเขาเหมือนเดิมคือเกลียดมาครึ่งเรื่องอแล้วแลมาตอนสุดท้ายก็ <laughs> สุดท้ายคือเรื่องโกอลา์ผลจนแบบว่าเละเทจนกลับมาถึงตอนจบตอนที่เขาจะกลับอังกฤษแล้วใช่ไหมไม่รู้เขาจะไปไหนต่อหน้าจอังกฤษนะแล้วก็มาลากันเอก รู้แล้วแหละว่าสองคนนี้แม่งปลื้มกันก็คือดูดูออกแบบว่าเขาปลื้มกันเขาชอบกันแล้วก็จะลากันให้ เ, เอกทํำยังไงเดินบอกว่าโอเคไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะเขียนต้นั<อ>บให้ไม่ได้ไม่ได้มีการเลําลาที่ที่เหมือนคนปกติทั่วไปถูกต้องแล้วสิ่งที่เขาเจะได้ออกมาทําให้เห็นทุกอย่างของหนังเรื่องนี้ได้เลยว่าถ้าเป็นคนทั่วคุณดูสองคู่อีกคู่หนึ่งคือคู่พี่อ้วนน่ะแต่น้องเอกอ่ะคือเขาชัดเจนเลยว่า เขาอยากจะจูบแต่หน้ารู้ใจยมึรู้ใจใช่ อ, อีกคนหนึ่งรู้ใจไงว่ากูอยากจูบแต่มึงรู้ใจกูไงกูก็เกรงใจมึงไงจนตอนสุดท้ายอ่ะโอเคกูไปจูบกับมึงกับใส่ฝนยที่มึงไม่ต้องขออ่านั่นคือชัดเจนเป็นคู่ที่สะท้อนความสัมพันธ์ของของของมนุษย์ได้ชัดเจนคนทั่วไปก็เป็นอย่างนั้น แต่ทีน่าเนี่ยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันดูมันดูน<า>โอเคแ ต, ต่ว่าไอคนทีน่มีปัญหาคือสคามนเดอร์ตัวตัวคุณนิวนี่แหละมีปัญหาแต่ช็อตสุดท้ายอ่ะผมกับหลงรักตัวละครตัวนี้เลยหลังจากที่ผมลังคาไปทั้งเรื่องแล้วก็เบื่อนักแสดงคือนักแสดงที่ผมชอบเหรอเปไ็นทำไมคือช็อตสุดท้ายเขาเดินมาแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินกลับมาเป็นการย้าคิดย้ําทําเหมือนคนมีปัญหาทางจิตเออใช่ใช่แล้วที่สำคัญกว่านั้นเพื่อมาพูดว่าโอเค คือเขาบอกว่าคือจริงๆอยากจะสาสัมพันธ์กับเธอต่อไปให้ยาวนานแต่ทําไม่ได้ก็เลยใช้วิธีที่ว่าจะส่งหนังสือมาให้นะแล้วฉันพังเดินกลับไปได้จริงๆบุษมุได้ดีกว่านี้ก็เลยเดินกลับไปบอกว่าขอเปลี่ยนเอามาให้ด้วยตัวเองได้ไหม mm hmm. มีพัฒนาการแต่คนดูก็ําคาญเป็นพี่อ้วนก็คงจับจูไปแล้ว <c oughs> อ่าแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึก oh, มันกระได้แค่เนี้ย mm hmm. แล้วแต่ก็รู้สึกดีขึ้นนะว่า mm hmm. เรื่มเข้าใจตัวลอครตอนนี้ว่า เป็นคนที่อยากแสดงออกแต่มีปมทางจิตแล้วออกมาได้แค่นี้คือมันเป็นคนที่เจ็บความรู้สึกได้เก่งระดับนึงไม่ได้เก็บอยากจะแสดงออกแต่แออกมาไม่ได้กล้าแสดงออกผมว่าแสดงออกมาไม่ได้การไม่กล้าแสดงออกเนี่ยคือดูดูจากดูจากแอคชั่นอะไรของเขาคุณดูไอตอนนั้นแหละยังไม่สุดที่ผมเข้าใจตัวละครคนนี้นะคือผมยังไม่เข้าใจสุดคือรำคาญมาตลอดแต่ที่ทําให้แบบจากรำคาญเปลี่ยนเป็นเข้าใจละรละคือ ตอนที่หลังจากกลับมารอบ2เราก็เดินไปที่บันไดกำลังจะขึ้นเรือแล้วช็อตถ่ายครั้งมันแบบเหมือนของพูดนิดนึงอารมณ์ค้างช็อตไหนครับคือช็อตที่ฉากสุดท้ายของพีเอกกนางเอกก่อนจะล่ำลาตอนแรกอ่ะอยากจะมาเจอนางเอกแต่ไม่กล้าพูดก็เลยใช้วิธีที่ว่าจะส่งจดหมายมาให้เพื่อเป็นการสาสัมพันธ์หนังสืออาจะสื่อส่งหนังสือมาให้เขียนมาให้สุดท้าย ก็บอกว่าเราก็เดินกลับไปแตขึ้นเรือก็เดินย้อนกลับมาบอกว่าเปลี่ยนใจขอมาหาดีกว่าพราอ้อมกับจบใหมมาให้เป็นข้ออ้างแล้วก็เดินกลับไปแล้วก็ไปค้างอยู่ตรงสำคัญจริงๆก็อยากเจอแหละจริงๆก็อยากจะ say goodbye หรือมีการใช้ body language มากกว่านี้แต่เรื่องที่จะไม่ทําคื อ, อยืนยืนนึกนานมากสุดท้ายไม่เอาดีกว่าว่ะเราไม่ไม่มไม่กล้าทําหรือว่าแสดงแสดงถึงความน่าสนใจอีกระดับหนึ่ง นานเหมือนกันนะที่แบบจะขึ้นเรือดีหรือจะไปต่อล้สุดท้ายตัดสินใจขือผมอยากจะผมอยากจะพูดถึงตัวอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันที่สแสดงคุณโดยเอสล่ามิโลชื่อแทนครีเดนซ์คือเห็นครั้งแรกแล้วแบบว่าเด็กเก็บกดอะนะโอ้ไม oh ่ก็เตะมากมือไม้สั่นแบบว่าเรากลัวเราอะไรคือเป็นเป็นบุคคลที่มีปัญหามากคือเสียดายตรงที่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้ทำให้นิวสลาแมนเดอร์กับครีเดนเนี่ยมาเจอกันโดยตรง ก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกันเพราะว่ามันเป็นคนที่แบบมีควาใกล้ใกล้เียงกันเป็นคนที่น่าจะเข้าใจกันได้อ่าคือคือเขาไปเจออีกทีตอนตอนฉากที่เป็นคฉากไอแม็กแล้วแล้วการพูดคุยเพื่อต่อรองหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันมันมันยังไม่ได้ดึงดึงความเดึงใช้สกิลนักแสดงมากมายนะมันเหมือนมันเล่นกับคนละฉากเออแต่ถ้าคือเราอยากเห็นจริงๆนะ สองคนเนี้ยถ้ามาเล่นอยู่ด้วยการในคาแรคเตอร์ที่เป็นนิสัยแบบเนี้ยมันน่าจะสนุกอีกคนนึงก็คือคีปความเป็นชายบอยในแบบอังกฤษมไม่พูดไม่จาหนุ่มที่อายหน่มที่อายแต่ว่ามีสายตาที่มุ่งมั่นเรื่องสับเรื่องอะไรเนี่ยต้องถามเขาเป็นสึกนาคาะคะับเสถียรในหนังเรื่องนี้เลยแล้วก็กับอีกคนนึงที่เป็นเด็กกพาพร้าเก็บกดเป็นสายให้ตำรวจมือสั่นแบบเออกลัว ทุกสิ่งทุกอย่างแบบมันมันน่าจะมีเคมีอะไรบางอย่างที่ที่ทาําเข้าเข้ากันได้อ่มันมันน่าจะสนุกมากมาแต่ไม่ได้เจอกั น, เ จ, กนเจอกันเจอกันเมื่อสายไตยผมว่าหนึ่งผมชอบเรื่องนี้เลยคือการแคสนักแสดง mm hmm. คือห่องตรงว่าลำพาร์ทเอกแต่ตอนสุดท้ายเข้าใจแต่คนดูไม่รู้จะชอบตกหลุมรักคนผมหรือเปล่าแต่ผมว่าตกหลุนรัแมมกแล้วผมชอบมากกว่าแฮนดี้พอลเตอร์ด้วยซ้ํา mm hmm. ในตอนที่ดูแฮนดี้พอลเตอร์ครั้งแรกชอบเลยตัวละครนี้คือไม่ได้อวยว่าเป็นคอนักแสดงที่เราชอบเลยนนะแต่มันมีคนแบบเนี้ย คนที่ไอคนที่อยากจะแสดงออกแต่ไม่กล้าําคนที่มีปัญหาที่คือถ้ามันนิสัยดีจริงอ่ะหรือมันไม่มีปัญหาในการสื่อสารจริงมันคงจบที่โรงเรียนเดียวว่าแฮร์รี่ละเพราะมันเรียนที่เดียวกันแต่เรียนไม่จบเนี่ยเขาเรียนก่อนหน้านั่นต้องหกสิบปีนะเอ้ยขออีตัวนึงเป็นตัวที่ชอบมากเลยตัวนี้ไม่พูดไม่ได้เลยตัวละครนะตัวละค ร, รอตอนนี้สามตัวที่ถูกใจผมที่สุดหนึ่งพระเอกจริงๆเราเราเราเราต้าองพูดถึงตัวอไรนี่ไงกำลันจะพูด1นพระเอก<ช>อ่ะเราตัดไปแล้วผมพูดถึงเขาเยอะแล้ว สองพี่อ้วนผู้ชายวัยกลางคนคนธรรมดาที่ไม่น่าสนใจคิดว่าเขาจะเอากลับมาไหมไม่รู้เพราะผมไม่ได้นังสือแต่อยากให้มีว่ะาชอบอยากให้คลิปตัวละครนี้เกี่ยวอะไรมันช็อตสุดท้ายที่มันเจอกับไอเอกไม่ใช่ช็อตสุดท้ายดิเกือกบช็สุดท้าย<อ>ช็อตที่มันลางนะครับ<อ>ที่ความจำจะเสียมันบอกว่ามันพูดกันว่าเอ๊ะทำไมถึงช่วยเราทําไมถึงโอเคกับเรามันบอกว่ารู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนคือไม่มั่นใจว่าเฟซพูดหรือเปล่านะแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับ ฉากนี้อยากให้มันอยากให้พูดความรู้สึกมากกว่านี้เนี่ยอะไรเยอะแล้วเฮ้ย hey, ทำไมถึงทําอย่างนี้ทําไมถึงไม่ไม่ลงความจำกูแต่แรกว ะ, ะก็กูรู้สึกเหมือนมึงเป็นเพื่อนอะทั้งที่คนเก็บกฎไม่กล้าแสดงออกแต่นาทีสุดท้ายเขาก็ทําแต่เขาทําได้แค่นี้เหมือนกับว่านี่คือจดของเขาแล้วเขาไม่บรรยายด้วยคำพูดเขาบรรยายด้วยอะไรแววตาคุณสังเกตแววตาเพิ่งไหมสีหน้าตัวนี้ไม่พูดแล้วเพกเพื่อนอ้วนเนี่ยตอบโจทย์ได้โอเคมากตราชอบโตสุดท้าย ตัวนี้นี่ไม่พูดถึงไม่ได้ตัวร้ายตัวร้ายซึ่งมันมาร้อยก่อยหนักแมเราเราเห็นแล้วเราเรากรี๊ดกันไม่ทันเลยลืมอะตอนแรกลืมอะลืมไปแล้วว่าค น, น, นคนนี้แสดงอยู่ด้วยคือรู้อยู่แล้วว่าเขาเล่นแต่เราก็ไม่ได้คือรู้อยู่แล้วว่าอ่าจอมนี้เด็ฟเล่นอ่ะพูดไปเลยจอมี้เดอมรับจริงๆแหละแต่เราก็ลืมไปแล้วไมว่าเขาจะโผล่มาตอนไหนดูเรื่องจะลืมไปแล้วว่าจอมนีเดฟเกี่ยวด้วยแล้วก็แคลิฟอร์เนียแสดงได้ดีมากแล้วตอนสุดท้าย คือพระเอกมันฉลาดไงถึงมันจะเป็นคนศรีษะมีปัญหาแต่มันเป็นคนฉลาดรู้ทานทุกอย่างแต่ไม่พูดเพราะกูเป็นคนไม่อยากแสดงออกเป็นคนมีกำแพงในใจ เ, เรียกว่าเป็นพระเอกเป็นคนที่มีกำแพงในใจบางอย่างที่ยังทลายไม่ได้สุดท้ายใช้เว้นมวลให้ตัวคารินฟอเรลกลายเป็นตัวจริงตัวหลายตัวจริงของเรื่องกันดวัตเขาเรียกชื่อผิด ก, ก็ขออภัยไว้นะที่นี้กันดวัตผมเรียกว่ากันดวัตก่อนแล้วกันนะถ้าว่าหลังรู้มาว่าเรียกผิด ก, ก็เดี๋ยวจะมา มาด่ามาด่ากันไ ด, ด้ด่ากันได้<อ>ในแฮร์รี่พอตเตอร์อรแกนด์วันที่สิบจะอยู่ในคุกโดนจับแต่ในเมื่ออีก60สิปีข้างหน้าคือเป็นเป็นจอมมันแก่โดนจับอยู่ในคุกถ้าผมจำไม่มีนะแต่คิดว่าไม่น่าจะผิดอยู่ในคุกแล้วก็ไปเจอแฮร์รี่เจออะไรแต่ในในอนาคตนนะณเวลาเนี้ย60ปีก่อนแฮร์รี่เขาคือตัวไรเบอร์นหนึ่งของโลก<ม>แต่หลังจากนั้นอีก60ปีจะเป็นวอรเดอมอล อ๋อคือยุคนี้เป็นยุคที่บอลมอยไม่เกิดยังไม่เกิดก็เป็นกนะารณวัตคือมันเจ๋งตรงที่ว่าคุณแท็กซึมว่าเป็นมือปราบอันดับหนึ่งของมริกาโด ย, โดยที่ไม่มีใครจับได้ที่เราสปอยหนักอะไรนะเนี่ยสปอยไปเลยพ อ, อคนส่วนให ญ, ญ่ที่มาฟังเราบูนคือดูไปแล้วคือแท็กซึมไม่ว่าคือตอนแรกเราไม่คิดว่าจะเป็นผมคิดว่าไอ้คอลิมฟอเรลเนี่ยเป็นลูกน้องของการณวัตตอนแรกผมคิดอย่างนั้น คือเราไปเห็นภาพกันวัตมาที่แบบว่าในเว็บในอะไรเงี้ยจะเป็นหนุ่มๆเราก็เลยมาโนว่ากันวัตน่าจะหนุ่มอยู่ในยุคนั้นอ่าเราก็คิดว่าน่าจะหนุ่มแล้วก็ไอ้คอรินฟอรเรลเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องหรือเป็นเอาง่ายๆเป็นพักพ่วกอาจจะเป็นผู้มีบุคลากรคุณหรืออะไรแตเป็นพักพ่วงกันแล้วกันวัตก็ไม่โผล่มาตลอดทางเรื่องเราก็งงว่าตัวละครสําคัญอย่างนี้ทําไมถึงทิ้ไงไว้วะคิดว่าจะมาตอนในภาคหน้าหรืออะไรอย่างนี้แต่ใครจะรู้มาจริงและมาได้แบบ โอ้ยตกมือเมคอัพเป็นไงตอนนี้เดวพอมาเมคอัพนี่บอกได้ตรงๆว่าแ ก, แก่มากแก่มากแต่นี่เนี่ยฟังดีมากเลยนะมันดูแบบเฮ้ย <Hey! S 1> นี่มันคือจอนี้เดวอแะบบคือเขาเล่นบดเดยอะมากที่แต่งตัวอะไรแปลกๆนู่นนี่นั่นลุกนี้มันดูมันดูมา ด, ดูเข้าวกวนะ่แกบบ่นะหนัอาผมสั้นขาวหน่อยหน่อยไม่หน่อยอะทั้งหัวแม่งเลยมันดูแบบมันดูเป็นตัวละครที่แบบน่าสนใจ ตัวละครนี้มีของว่ะคือจอนี่เดฟมันก็คือจอนี่เดฟอ่ะใจขยิบตาทำปากยิ้มมุมปากพูดไม่กี่ประโยคมันจอหนี่เดฟจริงๆจอหนี่เดฟอ่ะเขามีทั้งบทพระเอกดีพระเอกเล็วพระเอกหลายอย่างจนตัวโกงก็มีเรื่องเนี้ยนี่คือตัวร้า์เบอร์หนึ่งของซีรีส์นี้ของซีรีส์สัตว์มหัศจรรย์และเอาจอนี่เดฟมาคือมันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหกูอยากดูกูอยากดูภาคต่อไปใช่ไหมรอรอดูเลยคือรอดูตัวละครตัวเนี้ยคือกูไม่เชียร์ฝั่งพระเอกแล้วะ ดูเชิดคนรายอย่างเดียเลยอะดวัตใช่ไหมเออคือเราอยากเห็นว um, ่าแบบจะนี่จะทำชัอะไรในในปีนี้คือวลมอเนี่ยตอนนั้นดูแล้วแล้วแม่งรู้สึกว่าเออแล้วไงวะว่าเป็นหลอดแห่งความมือถึงขั้นว่าฟุณพูดถึงชื่อนี้ไม่ได้แสดงว่ารุนแรงจริงๆแบบเป็นบริษัทร้ายที่แบบว่า ถูกปิดพันหนึ่งคือไม่ควรจะออกมาจากการจอบโลกใบ น, นี้เลยหลายแรงมากร้ายแรงมากเออประมาณแต่พอ พ, อ, พอออกมาออกตัวมาจริงก็ระดับระดับหนึ่งเออไ ม, ไม่ไม่ถึงขั้นนั้นนะใช่ใช่คิด<ต>หมือต่ตัวละครเนี้ยคือเข้าใจว่าเป็นจอมเวทระดับ หแต่ไม่ไม่มืดหมนเท่าวุฒิมอเพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นคนเป็นจอมเวทเป็นทำอะไรที่ที่ท้าทายอํานาจรับพอสมควรจากคําสุดท้ายที่เขาพูดนะคิดว่าคุณจะขังมผมได้นานเท่าไหร่พูดหรอพูดพูดอันอันสำคัญททันมนคือตอนนั้นอนะ่ะคำพูดของจอร์นี่เดฟที่พูดกับเพศหรือพูดกับใครเนี่ยหายไปเลยตอนนั้นนะตอนจอร์นี่เดฟโผล่มาเนี่ยเราแบบมันเหมือนแบบท้อกัน เขาบเฮ้ยจอนนี่เด็บจอนนี่เด็แลวพอมันพูดเราจะพยายามฟังคำพูดเขาแต่สิ่งที่เราช็อบกว่าคือการแสดงและเขาเรียกไงสิ่ง first impression ของจอนนี่เด็บสำหรับผมไม่ใช่คำพูดแต่คือการแสดงด้วยสีหน้าและแววตาจอห์นนี่เด็บเล่นเป็นคนดีคนตลกคนอะไรเยอะมากแต่พอเป็นสำหรับผม จอนี่เดฟเล่นดีที่สุดสําหรับผมคือตัวร้<อ>ายฝันนย<อ>่งนักแสดงคนนี้เลยนะจารนี่เด<อ>ฟเนี่ยผมชอบในบทที่เขาเล่นที่สุดในหลายๆบทคาแรคเตอร์เขาเนะีคือตัวร้ายเล่นเป็นคนลบจิตเนี่ยคนร้ายเนี่ยเขาเล่นได้ดีมากและเรื่องนี้ตอบชัดมาไม่ถึงนาทีแล้วถึงไม่ถึงไม่ถึงแต่มันตาเตึงอะ่ะมันกับขโมยซีมตัวละครหลายคนไปหมดเลยอ่ะเหมือนเป็นตัวขโมยซีมแบบนาทีเดียวมาแล้วแบบโอ้ยกองแผ่นมาเห็นเป็นหน้าจอร์นี่เดฟตายความชั่วร้ายมันมาค็อจอนี่เดฟอ่ะคือคนดูจอรนี่เดฟจะนึกถึงใครแจ็คสเปโร่เน ตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้เจมี่ทีทออคือเขามีหลายตัวมากแต่พอมาดูปุ๊บจมน่เด็บกลับมาในเวอร์ชั่นหลายคือคือเจมี่เด็บเล่นหนังเรื่องไหนมันก็จะมีความเป็นเจมี่เด็บแต่ว่าเรื่องความที่เป็นเจมี่เด็บเนี่ยแหละเราถึงดูเขาใช่แล้วเราอยากมันจะมีเจมี่เด็บเล่นหลายมากหลายน้อยเป็นดีมากดีน้อยมีในหลายๆเวอร์ชั่นที่เราเคยผ่านผลงานเขามาเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกนิดนึงเนาะในช่วงต่อไปและกันขอจบช่วงแต่เพียงเท่านี้นะครับ กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการหนังเหนียวนะครับหลังจากช่วงที่แล้วนะครับเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอความชอบไม่ชอบในหนังเรื่อง Fantastic Beasts รวมไปถึงเรื่องตัวละครต่างๆทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องเรื่องนะเนื้อเรื่องกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องมันมันเป็นยังไงบ้างบิกได้อ่านอ่านอ่านเลยนิยายบ้างไหมไม่ได้อ่านเลยวะตามก็นี่แหละส่วนใหญ่ก็คือจากแฟนนั่นแหละเพราะแฟนเป็นแฟนของบิกเนี่ยเป็นติ่งแฮร์ ร, รี่พอตเตแล้วก็ตาแม่งยันจบเจ ตอนนี้มันมีเจ็ดภาคแค่ <c oughs> ไหมในแฮร์รี่ก็ไปหาภาคอะไรรุ่น ล, ลูกมาอ่านต่อที่เป็นอเลคอเวอร์ทีเงี้ยก็จะไปอ่านบทความว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงต่างๆที่ต่างประเทศเขารีวิวอ่ะรีวิวมางั้นนะทีนี้มันก็จะมีไอในส่วนของเครื่องสัตว์วิเศษสมบัติจารย์และถิ่นที่อยู่ไอแฟนตาติกบีดเนี่ยตอนล่าสุดเนี่ยแฟไม่ค่อยไดตามเท่าไหร่นะเคยได้หย <C> e <zy> นะิบอ่านบ้างไหมโอ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยคือเคยจะอ่านเมื่อตอนอุ้ยหลายสิบปีแล้วตอนที่ตั้งแต่เล่มสามเล่มสี่อะ คือมันค่อนข้างจะอันนี้คือแฮร์รี่พอตเตอร์นะเรายังไม่ไดทดกพูดถึงตัวหนังแฟนตาติกนะแต่แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันมันเป็นจักรวาลเดียวกันคือแฮร์รี่พอตเตอร์ปลูวดีมากในหลายๆประเด็นจนถึงตัวละครจนถึงความขัดแย้งต่งางๆนานาทีเนี้ยพอมันมาเป็นแฟนตาติกดีเนี่ยเราเราเองอ่ะด้วยความที่ตอมเป็นแฮร์รี่อ่ะเราก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ข้างใครอะไรมากมายเป็น Fantastic แฟนตาติกเราก็เลยเฉยๆ แต่พอไปดูหนังแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเราชอบว่ะแฮร์รี่พอตเตอร์เสน่ห์ของมันเนี่ยในมุมมองเรานะเรามองว่ามันโรงเรียนเวทมนต์โลกเวทมนต์ที่อยู่ในโ ร, นเนรงเรียนเวทมนต์หรือโรงเรียนเวทมนต์ที่อยู่ในโลกเวทมนต์เอาเป็นว่าเหมือนกันแต่ในหนังแฟนตาลติกบีชเนี่ยมันไม่ใช่โรงเรียนแล้วมันยกระดับพัฒนาตัวเรื่องมาเป็นโลกเวทมนต์จกักรวาลมันเริ่มจะ ก, กว้างขึ้นเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะมันเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาที่ไปดูเรื่องราวในโรงเรียน แต่ตอนนี้เราเริ่มรู้สึกแล้วว่าพ่อมดอาจจะเดินผ่านมารอบๆตัวเราหรืออยู่ในโลกเดียวกับเราก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคนไหนคือพ่อมดมันพูดถึงพ่อมดในอเมริกาพ่อมดใอังกฤษถ้าอย่างนั้นมันก็มีคำถามต่อมาว่าพ่อมดในไทยมันก็ต้องมีได้เพราะจักรวาลมันก็จักรวาลเดียวกันแต่ถ้าในฮอตวอร์เนี้ยในโลกของเขาอ่ะเราจะรู้สึกว่านั่นคืออยู่แต่ในโรงเรียนและเราอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ไปอยู่โรงเรียนเดียวกับมันมันคนละโลกกันเราเข้าไม่ถึงโลกเขา แต่พอมันเป็นแฟนตาติกบีทเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นโลกที่เกิดขึ้นได้ถึงแม้มันจะเป็นคลยุรี่คือได้ไปดูไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ในเรื่องตั้งแต่ตอนที่สงครามผู้วิเศษแล้วก็นั่งไล่อ่านมาคือมันเป็นไทม์ไลน์เนาะเป็นตัวเลขตามปีต่างๆแฮร์รี่กับหลอดบอดมเนี่ยคือเขาตีกันเป็นสงครามครั้งที่สองอ่ะคือมันมีมาก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งแล้วแต่ในหนังไม่เคยพูดถึงก็ไม่แน่ใจว่ามีพูดถึงไหม ก็พูดถึงแต่ไม่ได้เน็นมีมีเกินอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้เน้นเท่าไหร่ในแฮร์รี่พอตเตอร์นะคือมันทำให้เหมือนกับว่า จกักรวาลมันเริ่มขยายตัวจากเกรดเล็กเกรดน้อยในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าในหนังสือนิยายก็ตามเนี่ยจาปดน่าจะโชว์ของเยอะเพราะว่าถึงแม้จะยังไม่โผล่มานะแต่ต่อจากนี้น่าจะมีบทเด่นเยอะเท่าที่อ่านบทสัมภาษณ์มาของผู้กำกับเนี่ยคือเขาบอกว่าสคาแมนเดอร์เนี่ยภาคหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีบทบาทมากขนาดนี้ไม่เหมือนภาคหนึ่งอาจจะถูกลดบทบาทมานิดนึงให้ตัวละคร อ, อื่นเด่นขึ้นมาอาจจะเห็นตัวอื่นที่เด่นอาจจะเป็น ดับเบิลโดที่ยังหนุ่มยังแน่นหรือเปล่าเอ่อเท่าที่อ่านมาจากแหล่งข่าวเนี่ยระบุว่าคนที่จะมีบทเด่นในภาคหลังๆเนี่ยจะมีกินวัตแล้วก็ครีเดนส์ดับเบิลโดซึ่งซึ่ ง, ซ, งซึ่งก็น่าสนใจมากว่าเขาจะดีไซน์ดับเบิลอดอมาหนุ่มขนาดไหนมันต้องลดอายุลงมานิดนึงนะคือถ้าเราดูจริงอ่ะในแฮร์รี่อ่ะมันจะมีกานดวัตตอนแก่กานดวัตเนี่ยจะเจอวดมฆ่านะในแฮร์รี่บอกไว้อยู่ <het> <able> ใช่ใชการเดวัตเนี่ยโดนจับแล้วขังคุกลืมเลยในแฮร์รี่เฮียนะขังอยู่นานมากแล้ววดมรเนี่ยต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะของไอเทมนึ่งก็เลยไปดีหาการเดวั์แล้วก็ไปจัดการเพื่อเอาของมาวรดมรเนี่ยต้องการคาถาพิเศษจากกินเดวั์แต่ทีเนี้ยเราจะไม่ไปจับประเด็นตรงนั้นหรอกเพราะมันเป็นเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ที่เราจะพูดถึงแันตาติกบีดเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องเพราะว่าการเดวั์ในแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยคือเขาแก่มากซริงถ้าเราดูดีๆกูใช้คำว่ากูแล้ กูมองว่ามันไม่ต่างอะไรกับดับเบิลโดที่แก่เหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าการเดวัตในยุคนี้ตอนนี้เดฟตอนนี้ห้าสิบกว่าแล้วนะห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองประมาณเนี้ยแล้วถ้าเป็นดับเบิลโดมาอยู่ในยุคนี้ก็ต้องอาอยุประมาณเนี้ยห้าสิบห้าสิบกว่าซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เท่อยู่เหมือนกันนะคือประมาณถ้าหกสิบก็หกสิบนิดนอ่ะมันก็ยังเป็นคือดาราฝรั่งอายุหกสิบนี้มันเท่ๆมันมีเยอะมากเลย คือตอนนี้ยังสงสัยว่าการเมคอัพจอ น, นี้เดฟให้แบบว่าผมขาวหนวดขาวแต่ขาวไม่มั่นใจว่าแก่หรือว่าขาวในรูปแบบอื่นคือมันไม่ได้ดูแก่แบบดับเบิลดอปคือมาปุ๊บโอ่ o K, นี่แก่มากความรู้สึกนะคือแกจริงๆมันมันต้องมันต้องดูเลเท็กว่า น, นี้อ่ะเรามาพูดถึงเรื่องเนื้อหาเป็นยังไงบ้างคือไทม์ไลน์ของหนังเนี่ยมันมันถูกวางไว้เมื่อเมื่อกี่ปีนะห้าสิบกว่าปีห้าสิบหกสิบปีหกสิบหกสิบปีก่อนที่ แฮร์ร <Harry> mm ี่พอลเตอร์จะเกิดเราเรารู้สึกได้ถึงความความไม่ลงตัวของระบบอะไรบางอย่างระบบพ่อหมดแม่หมดอยู่ซึ่งเป็นเรื่องการเมืองที่แบบว่าเออตรงนี้คือน่าสนใจหนังได้เปิดเผยมาว่าในสังคมพ่อหมดแม่หมดในแต่ละประเทศอะ่ะคือมีกฎหมายที่แตกต่างกันแต่ว่าจะมีกฎที่ตายตัวแน่นอนว่าพ่อหมดแม่หมดทุกคนต้องทราบต้องรู้ถ้าคุณเจอมาเก้แล้วคุณไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะต้องลบความทรงจา นี่คือเป็นกฎตายตัวถ้าคุณไม่ทําเนี่ยถือว่าคุณมีความผิดมันจะมีเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือคาดหวังว่าในเรื่องจะมีกฎหมายที่มันยังไม่แข็งแรงพอแล้วมีคนที่อยู่เหนือกฎหมายหรือว่าทํานอกกฎหมายแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่มันแย่ๆขึ้นก็ได้กฎหมายนี้มันยังไม่เกิดอ่ะเราก็เราจะทําแบบนี้มันต้องมีเหตุการณ์เกิดก่อนเขาถึงจะบัญญัติกฎหมายมาได้คืออังกฤษจะเป็นกฎหมายแบบนี้จริงๆกฎหมายในอังกฤษกับอเมริกาเองก็ไม่เหมือนกันในหลายข้อ ในเรื่องของเวทมนต์นะนะในหนังก็พยายามจะพูดประเด็นพวกนี้อยู่เหมือนกันว่าเอ้กฎเที่ยงกิตกับที่อเมริกาบางอย่างประเด็นไม่เหมือนกันการเรียกการใช้ศัพท์ก็ไม่เหมือนกันอย่างที่อังกฤษเรียกมนุษย์ว่าอะไรนะอังกฤษเรียกว่ามารเก้นแต่ที่อเมริกาเรียกว่าโนเม อ่าชิงจะคือจะเรียกกันคนละอย่างเลยแต่ความหมายคือเดียวกันแล้วกฎหมายการคุ้มครองเจทธิต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันจริงๆแล้วถ้าเรามองจริงอ่ะในเรื่องของเนื้อหามันเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ใช่มันสะท้อนไม่ใช่แค่ว่าในโลกเวนน้นมนในโลกเราจริงๆก็มีกฎหมายต่างๆที่มันไม่เหมือนกันเจทธิของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันใช่มันก็จะสะท้อนออกมาในหนังคือค่อนข้างค่อนข้างสร้างจักรวาลไว้ได้ได้แข็งแรงพอสมควรมันเกิดเหตุการณ์ครั้งสําคัญที่ จะก่อให้เกิดสงครามระหว่างพ่อมดแม่มดกับมารเก้มันก็คือการเปิดเผยตัวตน ว, ว, ว, ว, ว่าพ่อมดแม่มดมีอยู่จริงซึ่งไอตัวที่จุดชนวนที่จะทําให้เกิดสงครามเนี่ยก็คือเรื่องของสัตว์วิเศษที่ออกมาลำควานออกด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเลยทําให้สร้างปัญหาให้กับโลกเวทมนต์และโลกปัจจุบันเลยทําให้จะต้องมีการกําจัด หรือมีการไปจับสัตว์มาเพื่อที่ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่ให้เกิดสงครามเกิดขึ้นระหว่างพ่อโมดแม่โมดแล้วก็มักเกิลซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเออนี่คือเล่นประเด็นใหญ่มากเลยนะยาเงี้ยทําให้เราตกใจว่าสงครามของพ่อมดแม่มดเนี่ยถ้าหากว่าเขาเปิดเผยตัวออกมาแล้วจะมีผลกระทบต่อมักเกิลอย่างไรได้บ้าง จริงๆแล้วประเด็นนี้มันไม่ใช่แค่แฟนตาลิกบีนนะที่เอามาเล่นเราจะดูได้เลยในหนังหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็น Xmen Xmen ก็ประเด็นนี้มาเล่นระหว่างมนุษย์กลายพันธุ์กับมนุษย์ธรรมดาแม้กระทั่งที่พบวานอนอิชิปสังกิเลนนะแพนเนตแพเนตออฟดีเอฟอ่อแพนเนตออฟดีเอฟที่พวานอนเนี่ยก็เอาประเด็นนี้มาเล่นเรื่องความเป็นระหว่างความเป็นมนุษย์กับเผ่าพันธุ์มันเป็นเรื่องของเผ่าพันธุ์ธรรมชาติมนุษย์ไม่ชอบความแตกต่าง แต่ตรงกันข้ามมนุษย์กับชอบที่จะอยู่เหนือคือถ้าเจออะไรที่แตกต่างกว่าแล้วเราได้กว่ามนุษย์จะใช้ความดุรแรงในหนังนะพระเอกก็พูดอยู่เหมือนกันไอตัวพระเอกอะคามันเดอรอ์มันก็พูดอยู่ว่าพอพันุที่น่ากลัวที่สุดอะ่ะก็คือมนุษย์ถึงแม้มนุษย์จะไม่มีเวทมนต์พ่อมดแม่มดเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันที่มีเวทมนต์แต่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยเอาจิงๆแล้วอะ่ะอันนี้ในมุมความคิดส่วนตัวอี่นะของกูกูมองว่าถ้า ตัวละครพระเอกอะ่ะเวลามันสู้เนี่ยไม่ว่าทุกคนอะ่ะที่เป็นพ่อหมดเนี่ยจะเอาไม้ไม้คาถามันี่ะไม้กัญชาจิตอ่ะออกมายิงฟิวฟิวฟิว ฟ, ฟ, ฟ, ฟิเหมือนจะโหดนะแต่ถามว่าจริงสู้ลูกปืนได้เหรอ <c oughs> มันก็น่าคิดนะกว่าจะชักกว่าจะไล่คาถาขนาดไอ้พวกโป่ะมันก็ยิงเร็วมากเลยนะแต่ถ้าจริงถ้าเจอลูกปืนหรือเจออะไรที่มันแบบเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปพัฒนานี่หนักมันก็มีสงครามมีอะไรกันแล้วอะ่ะ <c oughs> พ่อหมดรู้พ่อหมดก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจอยู่กลุ่มหนึ่ง จริงๆถ้าหนังมันจะเล่นต่อประเด็นใหม่งนะนอกจากที่ว่าพ่อมดกับมนุษย์แล้วมันยังเล่นไปอีกประเด็นหนึ่งได้ก็คือแล้วถ้าเกิดพ่อมดต้องการจะครองโลกอีกอย่างหนึ่งละ่ะอย่างเช่นพ่อมดไปแช้งแจงสงครามโลกเนี้ย ม, มันไปอัดประเด็นพวกนั้นต่างๆนานาได้แต่ JK เคขาอาจจะยังไม่อยากเปิดประเด็นพวกนั้นเพิ่มขึ้นนะนะเพราะจริงๆแล้วการที่เป็นผ่าพันธุ์ใหม่คือพ่อมดเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นผ่าพันธุ์ใหม่หรือเปล่าเพราะมันก็มีความเป็นมนุษย์อยู่สูงนะนะแต่มันเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่่่ววววไปาาาาเเรรรียยกกคมัดแ้งงะหโล คือมันมีโลกมนุษย์กงอะโลกที่ต้องอยู่รวมกันเป็นอีกโลกหนึ่งที่ทับซ้อนกันอยู่จริงๆแล้วประเด็นพวกนี้มันไม่ได้มีแค่ในหนังนะนโลกแห่งความเป็นจริงก็มีคนปกติกับคนพิการคนผิวสีกับคนผิวดํามันก็ เ, นเดียวกันเนาะต้องบอกคนผิวขาวคนผิวสีคนเอเชียมันมีความแตกต่างระหว่างบุคคลค่อนข้างเยอะยึ่งในหนังมาสะท้อนนี่เห็นความต่างกันชัดเจนเลยว่าเราถ้ามนุษย์กับพอมดละ่ะยิ่งในหนังเรื่องนี้จะเอาอีกประเด็นนี้มาเล่นคือหนังเรื่องเนี้ย เขากําลังจะบอกว่ามันมีกลุ่มแบ่งกลุ่มกันง่ายๆอยู่คิดว่าน่าจะสามกลุ่มก็คือหนึ่งพอมดไม่มดสองมาเกลสามพวกสัตว์วิเศษมันจะมีกลุ่มหนึงนะที่ที่เล่นเยอะแต่หลังๆเริ่มเงียบไปละนะฮรรี่เล่นเยอะมากเลยพวกเอล์อ๋อเอล์ที่เป็นธาตุเอล์นี่ก็ไม่ใช่สัตว์วิเศษเนอะเอล์ไม่ใช่เอล์เป็นเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์หนึ่งเหมือนกับโยมมทูดอ่ะมันจะมีพวกโยมมทูดที่นะ มันเรียกว่าอะไรนะผู้เสีความตายเออผู้เสีความตายที่ตอนหลังเป็นมาเป็นลูกน้องของของวดมรกันเน่ยคือมันจะมีไอ้พวกเผ่าพันธุ์ต่างๆอีกเยอะมากอะในโลกเวนมน์เน่ยคือมันเป็นการแบ่งแยกแยกเขาแยกเราออกจากกันเนาะแล้วในขณะเดียวกันพ่อมดเองก็แบ่งแยกอย่างไอ้ไม่นู้นนะว่าว่าแนวคิดนี้มันจะมันจะใช่อย่างที่เจเคคิดไวหรือเปล่าแต่บิ๊กมองว่าเฮ้ยยังเกตยนไหมกันดวอด์กับวดมรมีมุมมองหลายๆอย่างคล้ายกัน หเลยคือกันดวัตค่อนข้างที่จะแอนตี้พวกมนุษย์มาเกอร์กันดวัตวอร์เดมอลต้องการให้ผ่าพันุตัวเองอยู่เหนือกว่าอีกผ่าพันธุหนึ่งมันจะมีในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องนี้อยู่กันดวัตตอนท้ายเนี่ยมันพูดว่าที่เราปกป้องเนี่ยที่เราทาทํากำแพงที่เราพยายามทํำทุกอย่างเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่เพื่อปกป้องพวกเราหรือเพื่อปกป้องพวกนั้นกันดวัตแบ่งแยกแล้ววอเดมอลก็เหมือนกันวอเดมอลนี้ก็คือไม่ชอบเลยไอ้พวกเลือดเลือดผสมเนี่ย ดูน่าสนใจมากเลยนะคือจริงๆหลายหนังหลายเรื่องเอามาประเด็ดนนี้มาเป็นประเด็นหลักคืออยากรู้ว่าเนื้อหาต่อๆไปของแ a น t าสติกบีทเนี่ยมันจะลงเอยแบบไหนคือไปในทางทิศทางไหนดีกว่าจากการให้สัมภาษณ์ของ e อ d ด e ี e d ร a แ n เนี่ยในการที่พูดคุยเกี่ยวกับหนังเรื่องแฟน t าสติกบีทเนี่ยเขาพูดว่าหนังภาคต่อไปเนี่ยจะคล้ายๆตั้งชื่อคล้ายๆกับฮรพเตอร์ก็คือแฟน tas ติกบีทแอนด์เ m ัตเ e อ f u c ั e r อันนี้คือตั้งเองใช่อ่มเอพี่พูดออกมาเนี่ยคือตั้งเ <laughs> <f ucker. S 1> อง m ั t เ e อ f u c k ค r อคือมันจะเป็นแฟนตาติกบีชแอนอะไรสักอย่างหนึ่งไปหมดเลยคือแต่ว่าคำว่าแ a น t าติกบี t เนี่ยมันก็คือซีรีส์ของอันนี้คือแฟนตาติกบีชเนี่ยมันมันคือถ้าแปลเป็นไทยก็คือสัตว์วิเศษคือเราจะสามารถที่จะเอาสัตว์วิเศษเนี่ยมาเป็นมาเป็นเมนหลักของเรื่องเลยเหรอ คืออย่างอให้รีพอรเตอร์อ่ะคือชื่อก็บอกให้รีพอรเตอร์ว่าหนังเรื่องเนี้ยซีรีส์เรื่องเนี้ยคือฮห้รีพอรเตอร์คือจุดศูนย์กล า, างแห่งจักรวาลจุดศูนย์กลางแห่งการเริ่มต้นต่างๆแสดงว่าซีรีส์น Beast, เนี้ยแฟนตาสติคสปีเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับสัตว์มันคือจะต้องเอาสัตว์เนี่ยมาแยกมาขยายเป็นห้าภาคตามที่เขาตั้งใจไว้คือในภาคเนี้ยสัตว์วิเศษที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมีสิบสามตัวคือเราคาดหวังว่าเออเราก็อยากรู้เหมือนกันว่า ว่าสัตวิเศษพวกนี้มันมันจะสามารถดําเนินเรื่องเราไปได้ยังไงคือ <c oughs> ตามไทม์ไลน์ของหนังเนี่ยมันจะมีสงครามระหว่างผู้วิเศษง่ายๆเลยสงครามแรกๆเนี่ยมันจะเป็นของกินดวัตกับแอมบาสเดบันด์ดอร์ส่วนสงครามในยุคหลังเนี่ยคือเป็นผู้วิเศษภาค2ก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์กับวอลเดอรมอร์นั่นแสดงว่าหนังเรื่องนี้กำลังจะพาเรานําไปสู่จุดสุดท้ายของเรื่องก็คือกินดวัตประทะ ดับ <Đ> บิลโ<ม>ดแต่ทีเนี้ยคือเราก็สงสัยว่าถ้ากินวาสประทบวอเตอรมอรแล้วสัพพิเศษกูละมึงจะมาช่วยกูลบยังไงเหรอเบิร์ดนมตัวละครตัวหนึ่งไปว่าตัวละครเอกของเราอะพระเอกอะพระเอกเอเนี่แหละจะเป็นตัวคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องคือตอนเนี้ยยังไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาจะนำพาเราไปตรงไหนเพราะว่าฝั่งผู้กำเนวยการสร้างบอกว่าอาจจะลดบทบาท ของนิวสักคาแมนเดอร์ลงมาอ า, อาจจะไม่ใช่ตัวละครเอกที่เด่นมากแต่จะเป็นคลีเดนส์กินดาวัตแล้วก็เดวินดอคือแสดงว่าค r ีเดนส์เนี่ยมันเป็นพลังงานของข้อมดแม่มดเด็กที่อั้นพลังไว้ไม่สามารถนำออกมาใช้ได้จนเป็นพลังทางด้านลบกลายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายพลังงานตัวเนี้ยมันอยู่ในตัวคลีเดนส์แล้วหนัง ได้เผยออกมานิดหน่อยว่าครีเดนเนี่ยอาจจะยังมีชีวิตอยู่ในหนังเนี่ยมันมีช็อตอยู่ช็อตหนึ่งที่ทําให้ผู้ชมเห็นว่ามันมีพลังงานเล็กๆที่หลงเหลืออยู่จากการทําลายล้างแสดงว่าคือเขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้แล้วผู้อํานวยการสร้างได้เปิดเผยมาแล้วว่าในต่อไปนะครีเดนันจะมีบทบาทมากขึ้นซึ่งไม่มั่นใจว่าหลังจากเนี้ยต่อไปเนี่ย นิวสคารมนเดอร์เนี่ยคืออาจจะไม่ไถึงขั้นเป็นตัวประกอบหรืออะไรนะแต่ลดบทบาทความเป็นพระเอกลงและให้ตัวอื่นตัวละคร อ, อื่นได้เด่นขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วไอแฟนทาสติกบี๊ดเนี่ยไอสัตว์วิเศษเนี่ยมันจะมีใครมาควบคุมหรือมีใครมาใช้งานหรือเปล่า <S <S เมื่อสรุปจบของเรื่องเนี่ยมันเป็นสรุปจบของสงครามผู้วิเศษอะระหว่างคนสองคนะคือแล้ว แล้วศาสตร์พิเศษมันจะมาอย่างไงเลยนี่คือความเห็นส่วนตัวที่แบบว่าเอ้ยยังสงสัยอยู่ว่าแบบมันมันจะพาไปยังไงอย่างอย่างศาสตร์ในภาคแรกเนี่ยมันมีสิบสามตัวเนาะแต่และตัวนี่ก็จะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันแล้วคุณซามันเดอร์เนี่ยก็พยายามที่จะศึกษามันคือสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเขาศึกษามาจนจนจะเขียนจนเขียนหนังสือไดอ้ได้เล่มหนึ่งแล้วหนังสือเล่มเนี้ก็ถูกใช้ในการเรียนการสอนของ พอหมดแม่หมดน้อยเป็นเล่มเป็นเล่มแรกๆในการศึกษาสัตว์คือมันมันต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้สคารมันเดอร์ได้ศึกษาสัตว์พวกนี้ยจนสามารถเขียนเป็นหนังสือออกมาล่ําเรียนได้จะเป็นลักษณะนั้นคือเราก็อยาา่างมโนนะเราไม่อยากเราไม่ได้คนอ่านหนังสือเราจรนินตนาการภาพในภาคต่อไปในช่วงที่มันเกิดสงครามนักเวใช่ไหมสงครามนักเวที่ใหญ่ที่สุดจากครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราเห็นภาพพระเอกเราเนี่ย ใช้สัดเป็นอาวุธในการต่อสู้ใช้จัดมาเป็นส่วนในการช่วยลบลองนึกถึง uh, The Lord of the r i n g นะอันนี้คือภาพที่บิ๊กมโนโ น, นะ The Lord of the r i n g ตอนช่วงที่มันประจันหน้ากันระหว่างพผ่าพันธุ์ต่างๆมันมีไอ้พระเอกเนี่ยไปเอาวิญญาณมาช่วยลบพระเอกของเราก็อาจจะเหมือนกันแต่ใช้สัตว์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ในการช่วยต่อสู้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดูเราเท่มาก่ะเพราะมันใช้ชื่อเรื่องอยู่แล้วว่าสัต์มาจากจาร์เพราะฉะนั้น เขาจะไม่ทิ้งคีย์เวิร์ดของเรื่องคือสัตว์แน่นอนแสดงว่าอาจจะต้องมีการบูล้างผ่านของการต่อสู้ในครั้งนี้แล้วก็มีการใช้สัตว์มาช่วยสู้ลบให้เป็นประโยชน์มากขึ้นหรืออาจจะไม่ได้มาสู้ลบเต็มที่แต่สัตว์จะมีบทบาทในการสู้ลบค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วสเสน่ห์ของเรื่องมันอยู่ตรงนี้นะนิวสคาร์แมนอร์ฉากที่เราประทับใจที่สุดในหนันงเนี่ยเราพูดถึงตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเราชอบฉากที่ เขาไปทําท่าเพื่อจะจับแลดจำได้ไหมที่ไปทําท่าเหมือนสัตว์เราเป็นคนเลี้ยงหมาไงเราก็นึกภาพตามเฮ้ยบางครั้งถ้าเกิดคนเลี้ยงสัตว์จะรู้ว่าเรามีพฤติกรรมเลียบแบบสัตว์ถามว่าเราทําเพื่ออะไรก็เกิดคนรักแมวบางทีก็เมี้ยวเมี้ยวทำตัวเองเป็นแมวคนรักหมาคนเลี้ยงหมาก็จะมีพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดตอนแรกเราไม่เคยเลี้ยงสัตว์เราจะรู้เลยว่าเราไม่มีวันทําอะไรอย่างนี้แน่นอนแต่เมื่อเราเลี้ยงแล้วเรารักมันมากเราจะรู้ว่าเราพยายามเป็นเหมือนเขา เพื่อที่จะเข้าถึงเขาและพัฒนาความสัมพันธ์คือเราเห็นเราเฮ้ยพระเอกมันดูเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยซึ่งแบบในการที่มันเรียนแบบสัตว์อะถ้ามองว่าทุเรศมันก็ทุเรศไปทํำท่าลิงเหมือนลิงอูราอูตังอะเหมือนแรกเหมือนตัวอะไรสักอย่างของมัน่ะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือเขาพยายามจะเขามีปัญหาในการสื่อสารกับมนุษย์มากนะแต่ทําไมพอกษัตริย์เขากับสื่อสารได้ดีอะแล้วแสดงออกให้เห็นเลยว่าเพราะอะไรเพราะเขาพยายามเน เขาทำท่าแปลกๆทําอะไรแปลกๆซึ่งซึ่งเอาจริงๆการที่หยิบไม้กระทำมาแล้วปล่อยเวทเนี่ยคนมนุษย์ทั่วไปอาจจะรู้ว่าเราทําตามยากเพราะเราแม่งไม่รู้เรื่องเวทมนต์แต่การที่ให้เราเรียนแบบท่าศาสตร์เราทุกคนทําได้แต่เราไม่ทำเพราะอะไรก็ว่ากันไปมันอุบาทบ้างอะไรบ้างแต่พระเอกเราพยายามที่จะเรียนรู้และเข้าใจจัสรวิเศษซึ่งตรงนี้เป็นสเสน่ห์ของพระเอกแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของเรื่องเรื่องนี้เลย ตัวสัตว์ที่คุณนิวซาแมนเดอร์เนี่ยไปเรียนแบบชื่อตัวว่าอีลัมเพนอะใช่อ่ะใช่เนี่ยนั่งอ่านมาอีลัมเพนเราเราเรียกว่าอีลัมเพนแล้วกันนะอีลัมเพนในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันมันเป็นตัวเมียด้วยนะอืออยู่ในฤ ด, ดูผสมพันธุ์ใช่จําได้อยู่เหมือนมันอยากจะสืบพันธุ์มากโอ้โหแล้วแบบว่าเราต้องใช้ฟิโลโมนในการล่อนะและการใช้ฟิโลโมนอย่างเดียวมันไม่พอเนี่ยต้องใช้ท่าทางประกอบเพื่อที่จะ หลอกล่อแต่การหลอกล่ อ, ขอเขานี่คือค่อนข้างที่จะทำให้คนดูหนังเรื่องนี้นี่แฮปปี้มากเลยนั่งดูแลขำไปโอ้โหคือคิดว่าหนังเรื่องนี้แ a น t าติกบี๊ดเนี่ยมีสัตว์วิเศษอยู่ทั้งหมด13ตัวเรื่องต่อๆไปเนี่ยคิดว่าน่าจะโผล่ออกมาอีกเป็นนับสิบเหมือนกันแต่ไม่มั่นใจว่าการใช้ประโยชน์ ในเรื่องเนี่ยมันมันจะมากมากพอที่เราจะเรียกได้ว่ามันเป็นมันแฟนตาสติกบีได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวที่ออกมามันจะมีอะไรบ้างจำผู้หญิงที่อยู่ในรูปถ่ายได้ไหมผู้หญิงที่อยู่ในรูปถ่ายอ่าอันนี้น่าสนใจมากถ้ากดดูแล้วคนที่เป็นแฟนหนังสืออ่านนิยายมาก่อนจะเก็ตทันทีแต่เราไม่เก็ตว่ะ แต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคิดว่าภาคต่อไปน่าจะเล่นจำจาได้ครับแต่ไม่รู้เขาเป็นใครคือการที่เขาปรากวดออกมาในเรื่องเนี่ยอ่ามีบทบาทแน่นอนคือจําฝังใจอ่ะนิ้วอ่ะมันประดิษฐ์คนรักของนิ้วอ่ะเขาจะมาภาคหน้าแน่นอนครับรับบทโดยคุณโซอี้คลาวิสโดยการให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าบุคลิก ค, คนนี้คือเขามีความเป็นตัวละครที่ซับซ้อนมีความสับสนมีบาดแผลในใจผู้อำนวยการสร้างบอกมาว่าฉากจบ ที่สคารมนเดอร์เนี่ยยืนนิ่งๆเนี่ยที่มึงชอบมากเนี่ยว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแหละมันทำให้ตัวละครแม่งดูเป็นคนมากขึ้นเนี่ยการที่แม่งยืนนิ่งยืนนิ่งแบบเหมือนกับว่าทำไมไม่เซกูดบายกันสักทีวะใช่แล้วมึงจเาไงต่อคือมันเป็นการบอกลาในสไตล์ของนิวเพราะว่าเป็นการบอกลาที่ที่ไม่บอกลาคือไม่ได้มาล่ำลากันโดยตรงไม่ได้มากอดจูบกันเหมือนกับคู้อื่น เพราะว่านิวยังมีความฝังใจอยู่กับตัวละครตัวนี้อยู่ซึ่งไม่มั่นใจว่าการที่นิวเนี่ยกลับไปอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเนี่ยภาค2เนี่ยคือเขาได้เจอกับคนรักเก่าแน่นอนแต่ไม่มั่นใจว่าตัวละครทีน่าเนี่ยจะกลับมาอีกไหมถ้ากลับมาเนี่ยอาจจะกลับมาท้ายท้ายก็ได้เพราะว่าถ้าพูดง่ายๆเลยคืออยู่คนละประเทศคือการที่นิวเนี่ยมาอเมริกาเพราะเขามีภารกิจที่จะต้องทํา ตอนนี้คือเสร็จลักกลับก็คือมันไม่มีธุระให้กลับมาอเมริกาอีกแล้วยกเว้นแต่ว่าเขียนหนังสือเสร็จถึงจะเอาหนังสือมาให้ที่หน้าด้วยตัวเองนั่นหมายความว่าคือเขายังมีหวัวจิตหวัวใจยังรักคนรักเก่าอยู่เธอคนนั้นชื่อว่าเลตาน่าจะมีบทบาทพอสมควรในภาคหลังๆอ่าเรามาพูดถึงภาคต่อไปของหนังเรื่องนี้กันดีกว่าตอนนี้มีการให้สัมภาษณ์ออกมาแล้วนะว่าการดําเนินเรื่องของ ของภาคต่อไปภาค2เนี่ยมันจะออกมาเป็นในทางทิศทางไหนเพราะตอนนี้คุณเจเค w l i n g อะ่ะกำลังแก้ไขบทครั้งสุดท้ายของภาค2อยู่และทั้งฝ่ายโปรดักชันเนี่ยก็กำลังเตรียมงานสร้างตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษอ่ะจะถ่ายสองประเทศนี้ภาค2เนี่ยจะมีอารมณ์ที่แตกต่างจากภาคแรกพอสมควรมีความหลอนมากขึ้นเหมือนอยู่ในความฝันคือคุณเจเคโรลลิเนี่ย ได้ออกมาบอกว่าอยากจะทำสิ่งที่ไม่ซ้ำกับที่ตัวเองเคยทำมาโอน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าในภาคเจ็ของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยค่อนข้างเป็นภาคที่หมุนหมองที่สุดละตั้งแต่ที่เป็นซีรีส์ตรงนี้มาคุณเจเคโรลี่เนี่ยต้องการให้มันหมุนหมองและน่ากลัวอนกับความหลอนไปด้วยเหมือนกับว่าเราเดินก้าวก้าวไปหาสิ่งพิสดารมากขึ้นเขาใช้คานี้เลยบางทีแคแอบคิดนะ ถ้าได้ผู้กำกับหนังที่ยองขวัญมาทำแฮร์รมาทำแฟนตาติกบี๊ดเนี่ยมาอยูม่มาทำในโลกเวนหมดเนี่ยคงจะเป็นอะไรที่น่าสนใจน่าดูคงไม่ได้เหรอฮะเพราะว่าเดวิดเยสของเราเนี่ยทําภาคสองแน่นอนแต่ว่าภาคสาภาคสี่ภาคต่อไปเนี่ยจะจะเป็นยังไงจะจะเปลี่ยนผู้กำกับไหมเนี่ยอันนั้นก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งคือเดวิดเยสเนี่ยเป็นคนให้สัมภาษณ์ในเรื่องมีเองคือเขาตื่นเต้นมากที่จะได้ทําหนังในภาคสองที่มีความเปลี่ยนแปลง จากอารมณ์ในภาคแรกมากขึ้นแต่พูดถึงแล้วเนี่ยแฮร์รี่ภาคเจ็ดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความหม่หมองที่ที่หนักหนักอาการพอสมควรนะถ้าหากว่ามันเป็นภาคสองที่หม่หมองหรือว่าพิศวงก่อนเนี้ยก็มีความสนใจที่ทำไม่ซ้ำรอยเดิมเนี่ยมันจะออกเป็นยังไงบ้างคือตัวเดวิดเยสเนี่ยเราคือตอนแรกเราไม่ใช่พุ้มกลับที่เราแบบว่า มันจะมีหนังเนาะแต่และคนจะมีหนังที่ตัวเองชอบพอชอบเนี่ยถ้าเราชอบมากพอเนี่ยเราจะเริ่มค้นหามาแล้วว่าใครคือผู้กำกับแต่งานของเดวิดเยสเนี่ยยังไม่มีชักเรื่องที่ผมตามไปดูว่าเฮ้ยคือดูงานก่อนแล้วค่อยมาดูผู้กำกับเดวิดเยสผมยังไม่เคยเจอจนมาเป็นแฟนต้าติกบี๊ดเนี่ยแล้วเราก็ค่อยมาดูจากสกปอยว่าอ๋อเขาคือคนที่เคยกำกับแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคเจดตัวพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองิจริงก็ตั้งแต่หกเลยเนาะ ห้าหกเจ็ดามภาคอุ้ยมันเขาทำตั้งแต่ h ฮ r r y Potter and Order of Phoenix ฟแล้วอะก็ถ้าไร่กันจริงๆริก็น่าจะห้าหกเจ็ดอะสองพันเจ็ดสองพันเก้าสองพันสิบห้าหกเจ็ดแล้วก็ซึ่งสามมันก็ค่อนข้างเยอะเนาะทีเนี้ยถามว่า h ฮร r y p o พ t e เตอร์อะผมประทับใจจริงๆภาคไหนในเนื้อหาของายเซนตัวในมุมมองของการทำหนังนะผมกลับรู้จึกผมชอบภาคท้า ย, ายภาคหกภาคเจ็ด คอเนอร์เรื่องมันเข้มข้นมากยิ่งภาค7นี้โอ้โหเละเทะมากแต่คนที่เป็นแฟนแฮร์รี่กันจริงจเนี่ยผมกลับเห็นว่าจากข้อมูลที่เจอมานะที่คุยกับแฟนแฮร์รี่เขากับชอบเป็ภาคแรกๆรกเคยเข้าใจว่าภาคแรกๆของแฮร์รี่เนี่ยมันเป็นภาคที่ซ G แบบสวยงามแล้วในโลกเวทมนต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความพิพลึกพิศดารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเห็นสิ่งเหล่าเนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าร้องร้องหวือหวา หรือวา่าในการดูเช่นรถรถเมล์หรือรถไฟที่ประหลาดวิญญาณที่พูดคุยได้หรือภาพถ่ายหนังสือพิมพ์ที่มีการเคลื่อนไหวมันทําให้เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกว่ะมันน่าทึ่งจังเลยแต่พอมาภาคหลังของแฮร์รี่พอตเตอร์คือเขาไม่ได้นําเสนอสิ่งใหม่ๆเหล่านี้อีกแล้วเพราะมันมีมันมีไปเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเฮ้ยมันคือโลกเวทมนต์ที่เราอบบเราเคยเห็นมาก่อนะเราเลยรู้สึกไม่ตื่นเต้นกับมันสิ่งที่ดีงามของ แฮร์รีพอเตอร์ภาคหลังๆมือก็คือความเข้มข้นซึ่งก่อนหน้านี่มันคือขนมหวานเราเริ่มที่จะเปลี่ยนจากขนมช็อกโกแลตมาเป็นโกโก้โกโ ก, โก้แล้วเราเริ่มมาเปลี่ยนไปเป็นกินกาแฟกาแฟอาจจะใส่น้ําตาลใส่ครีมนิดนึงจนไปถึงกาแฟดําไปเลยอย่างเงี้ยมันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆน่าจะเป็นอย่างนั้นที่ที่บิ๊กบอกว่าทําไมเราถึงไม่ไม่ได้ติดตามผู้กํากับคนนี้เลยเราไม่รู้เลยว่าผู้กำกับคนเนี้ย เขาทำงานอะไรมาก่อนคือเราเรารู้จักแต่พุ่งกับคนนี้ในแฮร์รี่พอตเตอร์เ็เป็นเพราะว่าเขาอะทำแต่ซีรีส์คือหนังเรื่อง h ฮ r r y Potter and Order of Phoenix เนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกที่เขาทำและหลังจากนั้นมาคือเขาก็ทำแต่ซีรีส์ h ฮ r r y ี่อย่างเดียวมีแค่ว่าเด e Legend of t a ฟทานั่นเดียวที่ที่เป็นอ๋อจ oh, ำได้แล้วคือมานั่งคิดว่าแสดงว่าสตูดิโอเนี่ยคือเขาข้าง ถูกใจกับเดวิดเยสพอสมควรถึงให้มากำกับแฮร์รี่หนักๆเลยตั้งแต่ตั้งแต่ภาค The Order of Phoenix เนี่ยยาวจนถึงนะับปัจจุบันเนียและอาจจะยาวต่อไปอีกเราพูดถึงตอนที่มันเป็นหนังสือแล้วเราก็อยากจะดูว่าจะมีพุ่มกับคนไหนเนี่ยทำตามหนังสือออกมาได้ดีบ้างเอเคมันมีการเปลี่ยนพุ่มกับไปเพราะว่าหนังได้เปลี่ยนรสชาติ ตัวบทมันได้เปลี่ยนรสชาติเราเอาพุ่มกับคนเนี้ยมาใส่มาแทนที่เนี่ยมันน่าจะดึงศักยภาพของตัวบทให้มันสนุกสนานได้มากขึ้นแต่กลายเป็นว่าตอ น, นเนี้ยเดวิดเจสเนี่ยคือเขาคุมบังเหียนยาวๆเลยกับหนังซีรีส์เนี้ยคือตูค่อนข้างปลืม้มอะตอนเนี้ยอาจจะด้วยผลงานเขานะก็ทำให้เป็นลูกรักของทางตัวไม่ว่าจะผลงานรายได้จะแสนักวิจารณ์คายอมรับ คนดูต่างๆน า, นานามันออกมาดีมากมันก็ทำให้เขาเกิดจริงๆบทมันมาดีอยู่แล้วนะที่เหลือคือกำกับดีหรือเปล่า<อ>ก็จริงๆเป็นเรื่องทั่วไปเลยนะสำหรับการดูทีมงานดูพุ่มกับดูสตูดิโอคือมันมีผลมากสตูดิโอณปัจจุบนันนี้สิ่งที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังของเขาในมุมมองของกูกูว่ารายได้เนะี่ยเป็นตัว หลักๆเลยที่เขาแม่งคานึงซึ่งรายได้ตรงเนี้ยมันมาจากไหนมันก็มาจากพวกเราทั้งนั้นน่ะถ้าเกิดเขาหาพุ่มกลับมาไม่โอเคคุมหนังไม่อยู่รายได้ไม่ดีคนดูรีวิวตอบในด้านที่แบบว่าเฮ้ยก็เฉยๆเรื่องเนี้ยไม่อยากเชร์ไม่อยากแนะนํามันก็ทําให้รายได้ของสตูก็หายไปเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญสตูเาก็เลยต้องมองภาพรวมคุ้นข้างเยอะใช่โอเคก็มาถึงช่วงสุดท้ายในการ รีวิวหนัง Fantastic Beasts and Where to Find Them เนอะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับจริงๆขออย่างหนึง่งคือเราเองก็เป็นคนดูหนังที่บ้านเยอะนะแต่เราอยากจะขอเลยหนังเรื่องเนี้คือถ้ารอได้นะรอไปเลยเดี๋ยวดีวดีมันก็ออกก็ไปซีดีวีดีก็แต่อย่ามาโหลดเลยไอ้หนังเถื่อนอคือมันจะได้อะ่ะตอนนี้มาละเห็นและแม่งเด้งมาละ Fantastic Beasts แล้วก็มีโน้ตโตอยู่ข้างล่างซม แล้วก็คิดอยู่เลยแบบโอ้โหหนังที่มันเขาทุ่มเงินกี่พันล้านนะในการทําหนังเรื่องเนี้ยทุ่มกับทีมงานทุกคนนักแสดงตั้งใจแล้วถึงเวลาคุณมาดูซ o มๆเนา่าอ่ะแล้วคุณก็บอกหนังเขาไม่หนุกหนังเขาไม่ดีภาพไม่สวยมันจะสวยได้ไงคุณแม่งดู zoom ดูบนจอที่แบบภาพความละเอียดไม่ได้อ่ะทุกอย่างมันมันไม่เอึ่งเสียงแต ก, แตกพักภาคใครภาคไทยไม่ว่าภาคไทยจะงวยห่วย บางทีคุณดูไปคุณกินมามาไปหรือทําอะไรไปแล้วคุณก็บอกหนังไม่สนุกหรือบางทีคุณอาจจะดูไปแล้วเกิดง่วงเพราะอดหลับอดนอนมากคุณก็หลับเพราะคุณนอนดูไงคุณไม่ได้นั่งดูเหมือนลักษณะในการดูภาพยนตร์ที่เหมาะที่สมควรหรือถูกต้องคุณนอนดูระบบทุกอย่างไม่ซับพอร์ตคุณปิดไฟหมดคุณหลับแล้วคุณก็บอกหนังเขาห่วยหนังเขาไม่ดีเฉยเยผมว่ามันเป็นการใช้ความรู้สึกตัวเองตัดสินทุกอย่างจนทําร้ายความรู้สึกของคน ที่เขาพยายามทำสิ่งนี้เพื่ออยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆความสนุกให้คุณดูเนาะอยากให้ลองไปดูในโรงกันจริงๆแล้วแฟ t a s ศน์ส Be เนี่ยเราอยากจะแนะนำให้ไปดูในโรง iMac ็ Mac นะ C ีค่อนข้างดีแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นท d ดีด้วยแล้วเนี่ยน่าจะดีพอสมควรรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าดูพูดแล้วมันขึ้นขอนอกเรื่องนิดนึงคือเรื่องนี้ถ้าเมียกูนะไม่ท้องอยู่นะคือ i m a มมันกระหึ่มมากคือก่อนหน้านี้พาเมียไปดู คือมันก็หืมมากว่าตอนนั้นเมียท้องได้ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนหกเดือนน่ะแล้วคือแบบลูกดิ้นนังเรื่องจริงเหรอแล้วเมียก็เลยบอกว่าเออบอกว่า iMac ไม่เอาเลยนะเราแบบเหมือนโดนฟ้าผ่าเหมือนโดนประกาศผลเอนทารว่ากูสอบไม่ผ่านน่ะคือกูรู้เลยว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดกูไปดู iMac ต้องไปดูคนเดียวแน่นอนแล้วพอมาเรื่องนี้เมียบอกอยากดูก็อยากดู iMac จะดูไม่ได้แล้วไงเพราะเมียบอกแหละว่ไม่ดู iMac ็กแต่พอไปดูโงธรรมดาลูกไม่ดิ้นไงมันไม่ทรมานลูกไง ไอแมก็กคือเสียงอะ่ะคุณคิดดูดิคุณเสียงเงินค่าตัวหนักแล้วอะ่ะแต่อันเนี้ยมันเสียงเงินแล้วแบบมันดูเหมือนดูได้สองคนคือตามันทะลุเข้าไปถึงดีเฟนต์ลูกผมได้ที่อยู่ในท้องอะ่ะจนลูกดิ้นอะ่ะแต่ลงธรรมดาลูกเฉยๆไม่ดิน้นนั่นแหะ <c oughs> คุณภาพไอแม็กนี่แค่เสียงนะภาพยังไม่พูดนะ <c oughs> น่าสนใจนะประเด็นเนี้ยโอ้โหมันทะลุดีเฟนต์อะ่ะเด็กดิ้นอะ่ะเด็กแบบดิ้นปึ๊กปึ๊กป๊ป๊กับท้องนี้แบบเป็นรอยตีนูน่ะ ไม่รู้พอใจไม่พอใจก็ไม่รู้แต่ไม่แน่นะไม่แน่นะอาจจะชอบก็ได้นะอสอนให้เด็กลักการดูหนังแต่อยู่ในคันคือเคยเคยถามหมอเหมือนกันนะเรื่องนี้ว่าเออคุณหมอครับตอนพาไปฝากคันแล้วถ้าเกิดผมพาแฟนไปลงภาพยนต์นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันตรายต่อเด็กไรไหมเพราะเสียงมันค่อนข้างดังหมอเขาก็บอกว่าก็ให้ดูตามความสมควรนะคะถ้าดังเกินก็ไม่แนะนา แต่หมอก็พาเมียตอนท้องไปดูเหมือนกันนะครับเอพูดไปอย่างนี้เราก็อืมเป็นอนรู้กันอ่ะทีนี้เราก็ขอจบเรื่องการรีวิวหนังเรื่อง Fantastic Beasts and Where to Find Them แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพบกับช่วงนอนกลิ้งดูหนังครับนอนกลิ้งดูหนังคือช่วงอะไรครับ อ่าเป็นช่วงที่เราเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยชื่อนี้นอนจิ้งยู่หนังเป็นช่วงที่เราจะพูดถึงหนังที่เราเวลาดูเรานอนจิ้งได้นะครับคือไม่ได้ดูในโรงแน่ดูในโรงแม่งเป็นนอนจิ้งก็คงโดนคนข้างๆทีแบบจะดูอยู่บ้านอยู่บนเตียงอืดูผ่านโน้ตบุ๊กดูผ่านสมาร์ทโฟนดูผ่านจอทีวีใช้แล้วอะไรก็ช่างแม่งอ่ดูในอ่างไม่ได้นะนอนจิ้งไม่ได้นะเนี่ยนะอ่ะ คุณบิ๊กมีมีไปดูหนังอะไรมาบ้างครับคือจริงๆช่วงนี้มันมีหนังที่ดูที่บ้านเยอะมากเยอะมากแต่ตอนนี้ที่อินอนเลยนะก็วันนี้วันเสาร์เนอะร อ, อดูมากเลยใจจดใจจอไม่ใช่สายลกหิต <laughs> สายลกหิตมันมีทุกวันที่รอเนี่ยบอกเลยเป็นซีรีส์นะครับของฝรั่งเรื่องหนึ่งครับชื่อเป็นหนังซอมบี้ชื่อ The Walking Dead ดูงไม่ได้ดูเลยคือ มีมีเด็วคนแนะนำมานะให้ดูว่าแบบเป็นซีรีส์ที่สนุกมากติดงอมแงมโหนั่งคุยกันเป็นแบบมัก เ, เป็นเวน่ะคนดูซีรีส์อ่ะแต่เราแบบว่าไม่ไม่ไม่มีเวลาได้ดูเลยสนุกขนาดนั้นรู้สึกว่าได้ข่าวว่ากำลังซีซั่นใหม่เพิ่งๆ่งกำลังจะฉายใช่ไหม EP4 ตอนนี้ EP5 กำลังจะมาซีซั่น <Season S 1> อะไรซีซั่น7คือจะบอกว่าต้องเปิดก่อนเลยว่าบิกัดเป็นคนที่แบบ ซีรีส์่เริ่มดูตอนเรียนมหาลัยก่อนหน้านี้แม่งไม่รู้จักซีรีส์เลยดีเอ็กซ์ฟงดีเอ็กซอะไรมามไม่เคยดูแล้วเป็นคนไม่ชอบซีรีส์คือซีรีส์เป็นอะไรที่กูดูไม่รู้เรื่องจัไรอ่ะไอ้สัตว์แค่มึงดูเวลามนอนแอร์ดิแม่งมาซีซันสตอน7จ็ดแล้วกูไปดูปุ๊บแล้วกูจะรู้ไหมคือเราต้องมันมันเป็นตอนตอนอันนี้เราพูดถึงว่าซีรีส์ที่ฉายในไทยใช่ไหมในไทยเปิดมาปุ๊บอะนี่ตอนเท่าไหร่อะไรก็ไม่รู้คืออย่างละครไทยอ่ะเราไม่เคยดูเราอาจจะดูแค่วันแรกแล้ววันส วันที่มันเปิดวันแรกกับวันที่มันจบเนียจะดูแค่ครั้งหนึ่งตอนกลางเรื่องแล้วก็มาดูตอนจบก็รู้เรื่องไลยเพราะมันคือละครไทยส่วนใหญ่จนเบิร์ตมาแนะนําให้ดูเรื่องแรกเรื่องอะไรนะทเวฟรอใช่โอ้โ ห, โหโแม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนนั้นเนี่ยบิ๊กที่แบบเป็นคนที่แม่งแบบชอบดูหนังแบบบูร์างฐานแอคชั่นเลือดกรเซ็นขี้แตกขี้แดนสาดกระสุนใช่ไหมใชแ่แต่เราอย่าไปพูดถึงทเวโฟเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ถึง Wal ์กิ้งเดย พอพอแนะนําให้ดูเรเที่ฟเท่านั้นแหละโอ้โติดเละเทะแบบว่าเฮ้ยบิ๊กมึงต้องดูว่ามันมันเป็นเรื่องแน่กูว่ามึงชอบแน่นอนปรากฏยาวจนครบหลังจากนั้นข้ามเ4ไปเดี๋ยวว่าหลังจะมารีวิวให้ฟังไม่งั้นปันยามันเป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยที่ดูแล้วมันอัดอั้นตันใจมากหลังจากนั้นมาลอดมาเรื่อยมาตามตามตามจนตอนนี้เป็นติ่ซีรีส์ละคือต้องบอกว่าเสน่ห์ซีรีส์มันไม่เหมือนกันหลังตรงที่ว่าดูปุ๊บมึงต้องรอตอนต่อไปทีละอาทิตย์ทีละอาทิตย์เมือนอ่าน กระตนคิดอ่ะเออมันเหมืแบบแม่ต้องรอทีละอาทิตย์ทีละอาทิตยกว่ามึงจะมากกว่าจะมาแต่ถ้าซีรีส์บางเรื่องที่เราแบบมาดูมันมีซีซั่นสซีซั่นสแล้วแล้วเรามาดูซีซีซั่นแรกทั้งซีซั่นเนี่ยคือถ้ามันมันนะมันจะฟินมากเราจะดูแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ถ้าแม่งไม่มันนะถึงแม้มจะมีซีซั่นสเราก็จะดูไม่เกินดีพสมันจะจบเลยแต่สําหรับ walking day ต้องบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้คือตามมาแต่แรกตามมาตั้งแต่มันซีซั่นหนึ่งอ่ะมาตั้งแต่ตอนแรกๆสอนแล้วเราก็แบบ เห็นคนมันดังในเน็ตบอกเฮ้ยซีรีส์ซัมบี้มันตอนยุคนั้นเนี่ยซีรีส์ซัมบี้ไม่หน่อยมากตอนที่วอลกิงเดย์ซีซั่นแรกโผนะคือมาปุกับคนมันคนคือเราก็แบบอ่าไม่ไม่ค่อยได้แบบใช้ลิขสิทธิ์อะไรเท่าไหร่ไงฮะดูยากแล้วแบบยุคนั้นอันนี้ก็ w วอ k i n g เดย์น่าจะดี<ร>ปไปตามหามาจนดูจนได้ยด้วว่าเออแล้วคือคนที่เขาปล่อยเขาก็รีวิวคนเขาแม่งก็คอมเมนต์เรื่องนี้หนุกเรื่องนี้หนุกแล้วเขาแม่งก็เข้าไปเพิ่งมา 3- าสี่ตอน พ่อไอม่ดูตอนแรกไม่ก็แบบนี้แสดงว่าดูตั้งแต่ซีซั่นแรกๆออที่มาเลยเออก่อนที่แม่งจะคิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองอะ คือเป็นคอมเมนต์โม้ให้คนอื่นฟังเรื่องนี้ไปดูไปดูถึงขั้นว่าแบบที่ออฟฟิศกวอะคือปกติที่ออฟฟิศนี้แม่งก็จะดูแต่แบบละครหลังข่าวพวกผมแม่บ้านฐานบกอะแล้วเราก็แบบไปโม้เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้แม่งมันอย่างแบบแม่คโคนหนุกอะมันพลิกไปพลิกมาแล้วเราก็แบบมีคนไปซื้อภาคไทยตอนนั้นซีซั่นสมั้งแล้วแม่งก็แบ่งกันดูแบ่งกันไปแบ่งกันมาติดันทั้งออฟฟิศอะยันบอสอะแม่งดูกันหมดอะวนลงวันหนาจริงเหรอนี่คือการแชร์แผ่นแผ่นแท้แชร์แผ่นแล้วกอมผ่น คนไม่คือเราดูแล้วก็มีคนแล้วเราก็มีคนออฟฟิศดูอยู่คนนึงก็คุยกันคุยกับแม่งเหมือนเมื่อกลุคุยไง <c oughs> ก็คุยคุยคนอื่นแม่ก็ฟังแล้วแม่ก็ไปโมยเขาฟังมากๆเขาว่า hey, เฮ้ยทำไมดูหน่อยเอาไปก็แบ่งกันทีละแผ่นสแผ่นอาลงค้างจนสุดท้ายไม่ดูอันทั้งทั้งอันนี้คือ ส, สังคมเหมือนการแบ่งบันอย่างแท้จริงแต่ตอนนี้ก็เขาก็ตามกันถึงแค่ซีซั่นสนะหลังจากนั้นเขาก็ไม่ค่อยได้ต่างกันด้วยความที่ว่าเป็นชาวแท็กแล้วหลังๆภาคไทยไม่มีเขาก็จะแบบคือคนออฟฟิศอะส่วนใหญ่ก็กว่า เขาก็จะเริ่มแบบเอ่อชาวแทบมันดูยากสำหรับเขาเหมือนคือช่วงเนี้ยเรามันช่วงนันกิ้งดูหนังไงคือถ้ามึงกิ้งไปกิ้งบ้ามันชาวแทบมันลำบากสําหรับคนมีอายุ อ, อ, อแต่สําหรับวัยรุ่นเยาวชนก็นเป็นเรื่องมันอยู่แล้วสนุกเป็นยังไงเป็นยังไงเอางี้คือการการรอคอยซีซั่นใหม่มันเป็นยังไงบ้างมันมีปรากฏการณ์อะไรไหมคือบอคกิ้งเ a ชอะ ขาแบ่งเป็นสาช่วงสั้นๆพูดถึงภาพรวมของซีรีส์นี้นะออสำหรับบิคนที่ตามมาแต่แรงนะตั้งแต่ซีซั่นแรกคือตอนนี้ซีซั่นเเราจะแบ่งเป็น3พาร์ทเลยพาร์ทแรกเนี่ยจะพูดสั้นๆนะพาร์ทแรกเนี่ยมันเป็นการเปิดเรื่องทั้งหมดว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยแม่งกําลังจะเอาตัวรอดจะเอายังไงให้รอดจากสถานการณ์ซอมบี้ที่กําลังบกุกแบบไม่ทันตั้งตัวเริ่มมีการรวมตัวมนุษย์เริ่มมีทีนน่นู่นมีนี่มีอะไรแล้วเราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวแม่งก็รอด เราก็ดูว่ามันจะรอดมั่งใครจะรอดอะไรเงี้ยเหมือนกล้าหนังซอมบี้ทั่วไปเราก็เก่งไว้อย่างนั้นอเออว่าเฮ้ย hey, สุดท้ายเลีวรัฐบาลก็มาที่อย่างก็จบแต่ไอ้อพวกน เ, นนนเนี้ยกลุ่มเนี้ยไอ้คนคนคเนี้ยมันไปเจอกลุ่มนี้แล้วมันก็รวมตัวกันมีคนดีคนเลวแล้วก็เออมันจะรอดกันยังไงวะอืมนั่นคือนั่นคือซีซันแรกอ่านั่นคือเขาเรียกว่าช่วงแรกพอมาเป็นเราไม่ใช้คำว่าช่วงนะเมื่อกี้ใช้คำว่าอะก็ช่วงกันละเอาหรออ่าโอเคนั่นคือพารนะ์ทแรกของซีซันของ walking dead จะถึงซีซันเสร็จ ทางออกของเรื่องแอบเสียกไม่เจอคือสรุปคือเราคิดว่ามันจะพาเราไปขึ้นภูเขาเรานั่งรถไปกับมันแล้วเราก็เหมือนจะขึ้นเขาอยู่ๆเราเสียกเจทะเลอย่างนั้นเลยคืองงเลยเอาให้อย่างนี้มัน ค, คือมันไม่เจอไงมันคือกา ร, ราตบหัวคนดูไะมันคือการตบหัวคนดูอย่างหนึ่งที่แบบเฮ้ยเรื่องมันควรจะไปแบบ น, นี้ดิเราแม่งดูหนังมาเยอะเหมือนกันเราดูเราแล้วเราเจอทิตาเฮ้ยทาไมมันไปนี้วะ มันไปเจออะไรที่แปลกใหม่แล้วเราแบบอ่าเฮ้ยมันซอมบี้มันเป็นเรื่องการเอาตัวรอดไหมอ่ะทาไมมันเริ่มเป็นสังคมวะทําไมมันเริ่มเป็นการเมืองของมนุษย์วะอ๋อคือเรื่องมันตีความตีความให้มันกว้างขึ้นเราลัทธิบ้างไหไม่รู้ตอนนี้มนุษย์มึงกําลังจะแข่งแย่งกันกําลังจะไฟกันมนุษย์กําลังแบ่งกลุ่มดูไปดูมามันเหมือนกับหนังแนวที่แมลกิสันเล่นอ่ะที่มันแมสแมกอ๋อแมสแมกแมสแม็กคือโลกใหม่โลกใหม่มันคือการเปิดโลกเป็นโลกใหม่แล้วคือ แม่งแทบจะไม่พูดถึงว่าซอมบี้จะหายไปแม่งไม่พูดแล้วแม่งคือการอยู่รอดบนโลกที่มีซอมบี้เราจะมีลูกมีเมียมีหลานมีเหรนทำบ้าหากินกันจะใช้ชีวิตกันยังไงแล้วก็มีซอมบี้เป็นเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยซอมบี้เป็นเพื่อนบ้านเลยใช่มันกําลังจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะอยู่รอดจากซอมบี้สถานการณ์อย่างนี้ไงนั่นคือช่วง2ช่วง3าจริงๆคือซอมบี้มันมันคือเพื่อนบ้านแล้วแต่ตอนเนี้ยยังไงว่าแบบเหมือนว่ามันแม่งอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาซอมบี้คือเพื่อนบ้าน แต่ตอนนี้สิ่งที่เรากังวลเราไม่ได้กังวลเพื่อนบ้านเรากังวลโจรที่จะมาขึ้นบ้านาโจรที่จะมาขึ้นบ้านบางครั้งเพื่อนบ้านแค้ช่วยปกป้องซอมบี้แมงนานดูราดลาวะนู่นนี่นั่นเกณฑ์ซอมบี้มีด้วยเหรอเออมีหมดอะ กลายเป็นว่าตอนนี้มนุษย์แม่งแบ่กันแล้วแยกชิงอำ น, นาจมันคือการเมืองของคือชอบซีรีส์เรื่องนี้มากมากอย่างหนึ่งคือมันสะท้อนให้เห็นจิตใจมนุษย์เว้ยคือแบบมันสะท้อนให้เห็นจิตใจมนุษย์ตรงที่ว่าถ้าเรามีกฎหมายกฎหมายเป็นตัวควบคุมใครทำผิดกฎหมายก็ว่ากันตามผิดแต่นี่ไม่มีกฎหมายจะว่ากฎหมูก็ไม่ใช่มันมีทั้งมนุษย์กินกันเองมีอะไรที่มันเละเทะมีคนที่เราพยายามจะปกป้องมีอะไรต่า ง, งม า, าม า, ม, ามีการรวมกลุ่มคือเราพูดถึงความเป็นคนเลยอะความเป็นคนเรามีเรื่องความรักความสามัคคี ความเกียิความกลัวความหลงเรามีครบแล้วเราไม่อยู่รวมกันการกลัวบางครั้งมันก็ทำลายความรักบางครั้งมันก็ทำลายความเห็นแก่ตัวบางครั้งก็ทำให้รอดความเห็นแก่ตัวบางครั้งก็ทำให้ตายมันมีทุกอย่างอยู่ในนี้จนจุดที่ทำให้ซีซัน ตามมาตลอดแต่บิคิดว่าซีซั่นที่แม่งดังที่สุดไปยังที่สุดคือซีซั่นนี้มันมีตัวละครซีซั่นเเนี่ยแหละเราไม่พูดนาตัวละครเลยเราไม่พูดอาชื่ออะไรมันมีตัวละครตหนึ ง, หนงไว้แบบคื อ, อตัวละครที่ตามมาแต่ซีซั่นหนึ่งเป็นตัวละครที่แบบแม่งเดินคู่มากับให้เอกเลยเว้ยแบบคือเราคือความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้คือรุ้นว่าใครจะตาเคือไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวละครเนี้ยแม่งตามมาตั้งแต่แรกๆเลยจนมาถึงซีซั่นเนี้ยมันมีกลุ่มๆหนึ่งคือกลุ่ ม, ออมให้ตตตัั้งแ่่เเราาามมาทุกซีนลย มันลุ้นมาตลอดไงว่าที่ใครจะตายใครจะตายใครจะตายแต่มันมีตัวละครที่เราเชื่อว่ายังไงแม่งก็ไม่ตายแน่ๆคือต้องบอกว่าคือเพิ่งมารู้ต่อหลังเหมือนกันว่าคือดูแม่งตายมาเกือบซีซันสซีซันหซีซันหเพิ่งมารู้ว่า The w วอ k กิ้งเ a ยเนี่ยมันทํามาจากการ์ตูนคอมิกอ๋อใช่รู้สึกว่าเป็นของสตูดิโอมาเวลหรือเปล่าเออแล้วคือตอนนี้ในการ์ตูนยังไม่จบแต่เส้นเรื่องกันในการ์ตูนมันก็ค่อนข้างจะไม่ได้เดินตามมันไปแต่มันก็มีค่อนข้างบ้าง 70% รายละเอียดดีเทลต่างกันเยอะช่วงนี้มันแนะนำอ่ะเนาะซึ่งความสนุกของตอนหลังจากซีซั่นเเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าคือหลังจากที่ตัวละครตัวพวกเนี้ยตัวที่เรารักเนี่ยแม่งตายไปความสนุกมันคืออะไรวะกูจะรอดูวันที่ไอ้คนทํามันย่อยับไม่ใชคนทำแค่นั้นแหละนั่นเลยไม่ใช่คนทํำในที่นี้คือไม่ใช่พุ่มกังนะแต่คือไอ้ที่ฆ่าคนนี้เออคือแบบโอ้โหทั้งประเทศแม่งลุมเกียดกันมากอ่ะทีนี้ต่อจากนี้ไปจะพูด รีวิวเลยซึ่งถ้าเกิดใครกลัวดูไม่หนุกก็ข้ามช่วงนี้ไปนะแต่สำหรับคนดูแล้วเราแม่งคุยกันเลยก็คือเราเรามาเริ่มซีซั่นเจ็ดเลยดีกว่าใช่ไ้ยกลุ่มพระเอกเว้ยแม่งโดนจับไปก็จะมีไอตัวหลกัหลกๆหมดเลย คือก่อนหน้านี้ช่วงซีซั่นหอ่ะกลุ่มพระเอกแม่งคิดว่าแม่งเจ๋งเป้งอะไรแม่งเริ่มเก่าแม่งเริ่มแบบเกาะกลุ่มเกาะอะไรได้แล้วแม่งก็มีไปไปล่ามันจะมีเป็นกลุ่มๆใช่ไหมหนูไม่เคยดูกลุ่มพระเอกมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนึงก็รวมตัวกันเป็นหมู่บ้านเป็นวิลเลทเป็นหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้เลยแต่กลุ่มพระเอกเนี่ยคือข้อดีคือมันก็อ้างคุณธรรมนิดนึงว่ากูเป็นพระเอกกูก็ไม่ไปฆ่าเขาไม่แปลอะไรแต่ก็เจอกันก็คือคุยกันอะไรเงี้าาากรรคันนมมมะแต่่่่ไไไปปลออิพูว กลุ่มที่มาล่าอนาธิคมกลุ่มอื่นที่มาข่มมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ยอมมันก็คิดว่ากลุ่มตัวเองเจ๋งไงเพราะมันผ่านมาเยอะ6ซีซั่นน่ะมันจะมันมันผ่านอะไรมาเยอะอะ่ะมันก็แบบไปเกียนใส่กลุ่มนั้นก็คือว่าไงก็คือค่าล้างบางกลุ่มในที่มาล่าอนาธิคมกลุ่มอื่นคือล่าอนาธิคมนี่คือหมายว่าค่าค่าล้างบางกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพยากรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออมันชื่อกลุ่มซิเวียถ้าถ้าจำชื่อไม่ผิดมันเป็นภาษาอังกฤษอะซิเวียเซเวียหรืออะไรทื่อๆนั่นนะแต่เท่าที่ ออคือผมวิบัติเรื่อมมาอังกินะนะก็เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันอ่ะว่ามันชื่อซีเวียแล้วกันนะ <c oughs> คือไอ้กลุ่มซีเวียเนี่ยมันก็จะมีผู้นําคนนึงชื่อเนกันแล้วคือเวลาไปไหนมันก็จะมีเนกันไปด้วยตลอดเลยแล้วมันก็ฆ่าฆ่ากลุ่มนั้นได้ไอ้เอกกลุ่มให้เอกก็จะฆ่าได้บางทีลูกกระจอกในกลุ่มเอกก็ไปจัดการกลุ่มนี้ได้ เออกลุ่มซียเวียได้แล้วเนี่ยแกนก็ตายแล้วก็คิดว่าจบสักพักนึงก็โผมาเนี่แกนก็มาใหม่แต่แต่เป็นคนละคนนี่ ค, นคือใช่คนที่หัวหน้ากลุ่มถือไม่เบสบอลเอคือตอนแรกไอ้เยี่ยมมึงฆ่าในการไปแล้วไงคือมันเวลามันไปมันจะไม่ได้ไปกันเป็นร้อมันจะไปกันทีสี่ห้คน3คน2คนแล้วม่นก็ไปแล้วมันก็เจอไอ้เยี่ยนี่มาแล้วแล้วมันก็จะรู้ว่าคือซีซันเก่าเคยถูกฆ่าตายไปแล้วเออมันคือกลุ่มซีเวีย แล้วแม่ก็ฆ่าไปแล้วก็มีเนแกนเป็นหัวหน้านั่นไงเนแกนแล้วบอกมึงชื่ออะไรชื่อเนแกนแล้วแม่ก็ฆ่าไปกูเป็นหัวหน้าตายสะพังนึงกลับมากลุ่มใหม่มาแล้วนี่ใส่ชี้เหมือนเดิมแล้วแม่ก็จะฆ่าแล้วพอรู้ชื่อชื่ออะไรหัวหน้ามึงชื่อเนแกนใครคือเนกนกูเนแกนคือมันก็ฆ่าฆ่าฆ่าหลายรอบมากแล้วแม่ก็ไม่หมดสักทีมาถึงว่ามันเป็นเนแกนนี่เป็นชื่อในวงการหรือว่าเนแกนนี่เป็นคนและไม่ตายสักที มันเหมือนเชโกัวล่าคือทุกคนคือเชกัวลาทุกคนคืออุดมการณ์เขาอคือลูกน้องมันก็จะบอกกูคือในแกนอีกแค่นั้นก็จะบอกกูคือในแกนใครคือในแกนทุกคนคือในแกนจนเราแม่งไม่รู้จริงๆว่าในแกนแม่งหน้าตายยังไงมันมันดูเจ๋งว่ามันแบบเฮ้ยกูคือในแกนมึงฆ่าฆ่ากูไปเดี๋ยวเดี๋ยวในแกนจะโผล่มาอีกในแกนไม่มีวันตายในแกนอยู่ไทยรถ10บล้อ ไม่ใช่แนละนั่นเชคกูบอลล่าเออแล้วหลังจากนั้นไงมันก็คาคาคาค า, าแล้วเพ้ะเอกมันก็งงว่าเฮ้ยทำไมกูกจัดพวกในแกไ ม, ไม่จบทีวะแล้วเริ่มตามล่าและตามล่ากลุ่มในแกแล้วกลุ่มเซเวียเนี่ยเออแมงก็เริ่มไปไปถึงฐานใหญ่คิดว่าใหญ่สุดแล้วแมงก็สล่มเลยเทโอยเจอกลับมาคือฐานที่ใหญ่พอกระถามพรเอกเลยแล้วก็กลับมาปุ๊บสักพักหนึ่งแมงจะเป็นแค่ฐานเหมือนแบบเป็นแค่ด่านหน้าของกลุ่มเนี้ยหมายถึว่าเป็นฐานเล็กฐานเล็ก แล้วเป็นฐานแรกๆไม่ใช่ฐานใหญ่เราอีก เออซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหมู่บ้านต้นกําเนิดไอ้กลกุ่มนี้อยู่ไหนอะแต่ที่แน่ๆคือมันไปบุกรุกลานกลุ่มอื่นถึงขั้นต้องให้บางกลุ่มแบบขอปลูกเอาหมูหมาให้มันมีคนมารับหมูส่งสวยเป็นอะไรเงี้ยให้นึกถึงแบบสมัยสมัยแบบกีีโรมันอะที่แบบออมีการล่าณนาณิคมมีเมืองเอ อ, เ อ, อมันก็จะส่งคนมาเก็บแล้วมันแต่กกลุ่มให้เอกมันไม่เคยส่งมาไงเพราะเหมือนเริ่มมีปัญหากันแล้วความเด็ดมันก็คือกลุ่มให้เอกมันก็กําจัดกลุ่มนั้นไปแล้วมันก็กลับไปยึดอาวุธยึดอะไรกลุ่มนั้นได้ แล้วกลุ่มนั้นก็เอาคืนกลุ่มแซ็ปเซเวียเนี่เอาคืนโดยการไม่ฆ่ากลุ่มพีเอกหมดแต่กูต้องการจะเอามึงอะเป็นเมืองขึ้นกูให้ได้แล้วกลุ่มพีเอ็กก็ผู้เจ๋งมากไงจริงไปยังไงแล้วก็คือกูไม่ฆ่ามึงแต่กูต้อนให้พวกมึงจนมุมจนจนมึงหมดหวังแล้วดึงอารมณ์มึงแบบคือพีเอกเหมือนมาเป็นคนที่กูคิดว่ากูเก่งมากคือกูเจ๋งมากกูอยู่ในโลกนี้ได้แล้วคือมันผ่านอะไรที่เยี่ยโหดมาทุกรูปแบบแต่พอมันถึงตอนนั้นมันแทบจะน้ำร้องไห้น้ำตาไหล่แทบจะกราดตีเนยแกแล้วอย่าง ความเจ๋งไม่อยู่ยั้วเป็นกูกูก็กลาดตีนะมันแบบมันมั น, ม, นมันเป็นอะไรที่มึงทำร้ายจิตใจจนแบบกลาดตีกูไม่คือในแกนคือตอนจบซีซั่น6กอ่ะในแกนโผล่มาซีซั่นสุดท้ายตอนสุดท้ายเลยโผล่มาตอนที่แบบกลุ่มนี้แบบจิตใจเละเทะหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็จับเนี่ยนั่งนั่งนังนงัเหมือนหนังจนะีนอ่ะที่แบบจับกบฏได้แล้ <c oughs> ในแกนก็คือลูกน้องอ่ะจับหมดแล้วแล้วก็ร้องไว้หมดเลย <c oughs> แล้วก็ไม่ฆ่าเอาตัวหลักมัมานั่งในเรียงอะไรคนหลักในกลุ่มนั่งเลียงอะไร10ว่่่าคนนะจไไมมผิดสมุิวกันว่า10คนน คนหลักมาในแกนลงมาแล้วก็ยิ้มผมเนี่ยแหละในแกนคือในแกนเป็นคนที่แม่งยิ้มตลอดเวลาฮาตลอดที่เป็นคนเล่นลุกตลอดเป็นคนตลก อ, อะ่ะแสดงนี้ได้ชื่ออะไรว่าเดฟมอร์แกนที่มันเล่นเรื่องบอสแมนอ่าชื่ออะไรนะไม่รู้<อ>เดี๋ยวค่อยเดฟมอร์แกนใ่เชยง น, นั่นแหละ แต่คือคนนี้ครูชอบมันมาจากบทพ่อใน Super ร์เนเชลล์มันเป็นพ่อของแซมกับดีนซึ่งแบบเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ชอบแล้วคือแบบชอบอีเรนี่มากๆคือใน Super ร์เนเชลล์เราชอบตัวละครนี้มากแต่แม่งโผลมาน้อยแล้วแม่งก็หายไปยาวเลยก็เหมือนแบบตัวละครนี้โผลมาให้ถูกค่าแต่มันตัวละครที่สําคัญและคนนี้เล่นแลนน้วก็หายไปแล้วอยู่เขาก็มาโผลในวอล k i n g เดย d คือด้วยความที่ชอบนักแสดงคนนี้อยู่แล้วเว้ยแล้วโผลมาเป็นตัวละครที่แบบเขาบอกว่ามันคือตัวที่โหดที่สุดของของซีรีส์เรื่องนี้แล้วในกระต แล้วในในหําแเนี่ไปครึ่งเรื่องของกระตูนไม่โผล่มาน่าจะแนที่เราโผล่มาพร้อมกับมาในเบสบอลแล้วก็ลอยยิ้มอันแบบซกส้นตีคือมึงจะยิ้มทําไมอ่ะยิ้มมาในที่นี้คือเป็นคนเหมือนตลกอ่ะตลกเหมือนคนตลกแดกอ่ะแต่นี่มึงไม่ได้ตลกแดกเพราะมึงเป็นคนเยี่ยมหน้าแต่มึงตลกอ่ะตลกแบบโผล่่ยมึงเล่าป่ะขำขำขำขำแล้วก็ฆ่าฆ่ากันแบบคำาำว่าคือมึงตลกแต่คนอื่นไม่ตลกมันทําให้นึกถึงจ็กเกอร์เหมือนเลยอย่างนั้นเลยอ่ะแต่โจ็กเกอร์มันหลุดไปแล้วแต่จ็อกเกอร์เป็น ไอ้ที่นี่เหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> คือมาไปบอลให้นั่งแล้วก็เล่นเกมคือตอนนี้จะบอกว่าเป็นตัวละครที่แบบโผล่มา ป, ปุ๊บคือคนเกลียดกันทั้งประเทศแต่เราจะบอกว่าเป็นตัวละครที่ถ้าในซีรีส์นี้ตอนนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของกับตัวละครในซีรีส์ทั้งหมดที่ดูมาแล้ว คือก่อนหน้านี้ชอบชอบแจ็คเบลเวอร์มากในทเวนตี้โฟคือมึงแบบมาแนวเดียวกับไดฮาร์ดเป็นแบบพระเอกบูร้างผ่านถล่มทลายแต่อันนี้มันมาแบบคือเราตามหาคาตกรลบจิตมานานเ่ยเราตามหามาแบบเราเป็นคนชอบหนังคาตกรลบจิตอ่ะเราดูหนังซีรีส์ดูอะไรเยอะแล้วเราคือไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวไลฟ์หนึ่งในตัวเราชอบแค่นี้บราเลสเตอร์ จริงๆชอบฮ<ช>ัน<ช>นี่บาวมากแล้วพอมาเจอตัวเนี้ยคือฮันนีบาวชอบมากนะแต่พอมาเจอเนี้ยมันพอฟักพอเหวียงกันเลยอะ่ะคือแบบไม่ใครด้อยกับกันเลยพูดถึงความไร้กาดใช่ไหมความถูกใจความถูกใจ <c oughs> คือไร้กา <c oughs> ดอ่ะมันมันไม่ฉลาดเท่าฮันนี่บาวแต่คือหนึ่งมึงเก่งมากในเรื่องควบคุมจิตใจคนจิตวิญญาณมึงเก่งมึงปกครองลูกน้องเก่งมึงโหดเอามาจีบเอาหยิบมากมึงมาแล้วมึงก็ยิ้มแล้วมึงก็คุยมึงก็จ้ำจี้มาเขือปอแปะ แล้วมึงก็คือมึงต้องการจะฆ่าคนหนึ่งในกลุ่มพวกพระเอกอเพื่อเชี่ยงไกให้ดิงดูนี่ออกไหมแล้วมันก็จ้าจีนมาเขือปอแปะแล้วมันก็เจอจบที่คนนี้มันก็ถทุบ ปาดทุบ<อ>หัวแบะเลย แ, <อ>แล้วกล้องม่นก็ถายเห็นหัวแบะแบบตาโถนนะ่ะ<อ>คือแบบเราก็โหคือคือตอนจบซีซ<อ>ันน่ะมันซีซันหกมันเอาไมายจิมจ้มจิม้มจิ้มจิ้มแล้วก็มาจบปุ๊บแล้วก็ฟาดปาดปากแต่มันไม่เห็นว่าเรามันฟาดใครมันแค่เป็นกล้องเหมือนเราเป็นคนดวแล้วโดนฟาดฟาดฟาดแล้วกล้องก็สั่สั่นบอกเออแล้วเราก็เหมือนกูโดนฟาดอะแล้วไม้ก็ฟาดมาแล้วกูก็ซาวก็มาเหมือนกูเจ็บหัวไปด้วยเลยเหมือนเล่นเกมคอร์บดิวตี้ขนาดนั้นแล้วพอมาซีซันนี้เปิดตัวละคร มาแล้วแบบโอ้โหี้ยนี่โดนฟาดเราก็แบบช็อกเหมือนกันอืมไม่คิดว่าจะเป็นไอ้เฮี้ยนี่ภาคไหได้ไมได้ได้คือจากสมญาณเขาไนะมานะ่รู้จาชื่อจริงไม่ได้แต่ชาวบ้านเขาเรียกกันจา่จาดับจะอับจ่าอับไม่ใช่จา่จาดับจา่าดับมันเรื่องนี่นะเจ็ดประจันบาลจ่าดับไอ้จ่าอับอับบาหัมเออไม่ใช่อับบาหัมอับบาหัมมีบุตรเจ็คนอับบาหัมฟอดใช่ป่ะ่ใช่ไม่ใช่อับราหัมบินคอร์ไม่ใช่มึงก็มั่วไปเรื่อยนี่ไงอับบาหัมฟอดใช่ป่ะคนนี้ป่ะเออใช่ คือเขาเรียกกันแค่อับราฮัมคูมรุ่งเหมือนกันว่าชื่ออับราฮัมฟอร์ดคืออับราฮัมเนี่ยโดนฟ้าเปิดวิธีพีเดียมาดูนะซีซั่นเจ็ดมาอับราฮัมไม่โดนฟ้าคือช็อกไง คืออับบาฮัมแบบเป็นวัวตายควายล้มแบบเป็นคนล้มวัวล้มควายอ่ะเป็นตัวละครที่แบบดูเป็นทหารเก่าที่เหมือนแบบมึงเจนสงครามมากให้นึกถึงแลมโบในเวอร์ชัน o ลคกิ้งเดย์นะคือแบบกูนี่เป็นคนที่เจนสงครามกูที่ผ่านโลกไปอย่างโชน <c oughs> คือถ้าเกิดในโลกแบบเนี้ยกูเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อยู่รอดมันมันก็แบบมีเรื่องราวของไออับบาฮัมมาเยอะมากขีเกตเล่านะแต่มันฆ่า อ, อับบาฮัมอับบาฮัมนี่มีบท7คนไหมไม่มีมันคนละอับบาฮัมเหร อ, อหทีนี้ไออับดึกเอ้ยไม่ใช่อับบาฮัมบบัมเนี่ยมันโดนมันโดนฆ่าเราช็อกแน อันนี้คือความรู้สึกแล้วนะเชี่ยอับบาธรรมคือมึงตายก็ตายไปเถอะแต่เราไม่คิดว่ามันจะทำอย่างเงี้ยเพราะเราเดาวทังว่ามันน่าจะฆ่าตัวสําคัญกว่านี้ mm hmm. คือตัวนี้มันเก่งแต่มันก็ไม่ได้สําคัญมาก mm hmm. มันเป็นตัวที่แบบเป็นตัวที่เข้ามาในกลุ่มตอนกลางๆซีซั่นแล้วก็แบบเออมันเป็นตัวเก่งก็ฆ่า mm hmm. อับบาธรมถูบปากปากปา ก, ปาก mm hmm. เออบาธรรมมองหน้าโดนทุบไปตีนึงหัวบูดไปละหัวเบี้ยวไปละ mm hmm. แล้วก็มองหน้า mm hmm. fuck you จริงอะหาซึ่งตีนะ แล้วตั้อยู่แล้วก็โดนปักปักแล้วก็ตายเลยในกลุ่มก็ช็อกกันหมดเลยนี่ในในเอนี่เขาระบุว่าคุณจ่าอบารัมเนี่ยเล่นไปสามสิบว่าเตอนก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันเยอะสุดน่าจะิีกับพายเอกอะรอยห้าตอนโอ้โหเยอะอยู่นะทีนี้แอบารัมตายโหเราก็แบบ เฮ้มันผิดทางว่ะมันเดาผิดว่ะคือความสนุกของซีรีส์แร์รัคือบางทีเดาเรื่องไม่ถูกพอมันตายแล้วแบบเฮ้ยยา i, น, นีตายเราก็คิดต่อแล้วมันจะส่งผลต่กอกลุู่ยังไงวะ <c oughs> มันก็จะขาดทาหารที่เข้มแข็งไปคนนึ่งเซงว่ะสักพักหนึ่งตัวละครที่เราชอบอีกตัวหนึง่งเอ๊ตัวนี้น่าจะเป็นคนคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่คนชอบเยอะอันดับ1ในสามะของตัวละครหลักเลยอะเป็นตัวละครที่ไม่มีอยู่ในในกระตูนเป็นบัลโล่ขึ้นมาใหม่เออเราคนชอบเยอะมากันชิเดรียลนอร์แมนอะไรวะอ่า เออได้ไอเดลิวเนี่ยแม่งเห็นจะโดนทุบหัวมันทำอะไรรู้วะคือเขากาลังเอากืนเจาะหัวมึงมึไม่สน้วกูวต่อยอ่ะไป ต, ต่อยปึ้งในแกงงงไหมไอเฮีย้ยมึงไม่ไม่กลัวตายกูเพิ่งทุบหัวเพื่อมึงมึงมาต่อยกูทุกคนกำลังนั่งอ้าปากห้อยอยู่อ่ะเออเราก็คิดว่าไอเฮียเ้ยนี่มึงตายแน่เลยในเนลาต่อไปมึ ง, ม, งมึงไม่รอดแน่เลยไอเฮีย้ยนั้นในแกงขาชอบชอบคนแบบ น, นี้โลกจิตเปล่าจะเลี้ยงไวเออให้กูชอบอ่ะไอเฮี้ยนี้ไปด้วยดีกว่าก็ใจถึงไงก็พูดถึงนะ ไ อ, อ, อ้คนแบบนี้ใจถิมเราเลี้ยงไว้ดีกว่าแต่เราจะฆ่าเส้นหนังไปก็เราก็รู้สึกดี<ห>ดฮะเออม่้ยเฮี้ยดีไว้เชี้ยนี่ไม่ใช้ได้เราก็ชอบนะะเพราะคนว่าภาพหลุดออกมาคือประเด็นคือมันก็บอกว่าหลังจากในแกนมันถูกจะอักดนไอแดรี่วต่อยมันก็บอกว่า เ, เอ้ยไอคนนี้กูจะเอาไปเป็นลูกน้องเอาไปทำพวกแต่คนในกลุ่มมึงอ่ะไอเฮี้ยเนี่ที่มาต่อยกูเนี่ยมันมันมันมันเฮี้ยมันมาต่อยกูเนี่ย เพราะฉะนั้นตอนแรกกูว่าจะฆ่าคนเดียวงั้นกูคงต้องเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วคือคือจะเก็บชีวิตเดลิวไว้เพื่อจะเป็นลูกน้องตัวเองแต่ว่า<ต> <อด S 1> คนมีตในการต่อยเนี่ยต้องมีคนตายแทนเดริวอืมก็เลยฟาดหัวคนอีกคนนึงฟาดแบบไม่ทันตั้งตัวแบบกําลังดูดูอยู่แล้วก็งงงคือมันไม่คิดมันไม่จ้ำจี้มาขิ น, นปกแปะมันมามันป่าป่าปปาแล้วคือตัวละครที่ที่คิดว่าคนชอบ ไม่ไม่มีน้อยกว่าส่วนใหญ่เป็นตัวละครที่คนคนชอบเยอะมากคือมันโผลมาตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยเป็นตัวละครที่แบบเก่าแก่เก่าเก็บแบบหนึ่งในหนึ่งในสี่ตัวละครหลักของเรื่องเลยดีว่าเรื่องนี้อย่างนั้นเลยเหรอแล้วมันค่ามันเหมือนกับค่าเป็นผักเลยตายไปอยู่ก็ตายคือแบบมันฟาดปากร์คปากตาโถนแบะแล้วแบบเป็นตัวละครที่เราลักมากอ่ะทุกคนลักมากอ่ะมันเป็นคนดีมันเป็นคนที่แบบเขาคือใครเนี่ยเกณฑ์ สเตฟเฟนหยวนโดนฟ้าดเล่นโดยคุณสตีเฟนไม่เราคือเราอ่ะคือเกนเนี่ยมันเป็นตัวละครของขอในไหนก็เล่ามาแล้วพูดถึงตัวละครนี้เลยมันเป็นตัวละครที่คือมันโผล่มาชีชั้นแรกคือพระเอกเนี่ยตื่นมาจากโรงพาบาลแล้วก็แบบมึนๆงงๆโลกนี้เต็มไปด้วยซอมบี้กูจะช้ชีวิตยังไงกูออกมาก็เจอแต่ที่อะไรวินาสันตโลกแล้วก็มีเกเกนเนี่ยแหละเป็นคนคอยช่วยพระเอกจนไปเจอกลุ่มแล้วก็อยู่ด้วยกันมา ตลอดและเกณฑ์นเนี่ยจะเป็นเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์สิทธิ์ถ้าจะไม่ผิดเป็นเด็ก2พิซซ่าหรือส่งอะไรสักอย่างเนี่ย <c oughs> แล้วมันเป็นคนที่วิ่งเร็วมากคือในยุคที่มีซอมบี้ในการที่ต้องเอาตัวรอดจากซอมบี้ไอ้ที้นี่แหละรอดตลอดเป็นเหมือนคนลัคกี้แมนน่ะคือมึงรอดตลอดน่ะเป็นตัวละครที่กูเชื่อ ว, ว่าถ้าจะวิง่งหนีนี่กูรอดทุกครั้งเลยคือถ้าเอาดูมาจนถึงซีซั่นหกูเชื่อว่าถ้าจะต้องมีคนใดคนนึงรอดในเรื่องนี้คนแรกก็เป็นมึงอะ่ะ อ, อเพราะมึงเป็นคนที่แบบซอมบี้รุมยังไงมึงกรอดแบบ ความสามารถกระโดดผิวแบบคือต้องมึงอ่ะคือเคยดูในหนังไหมเมันแบบจะมีตัวตวลกตัวหนึ่งที่มึงยังไงก็ต้องรอดเป <c oughs> ็นคนที่แม่งไม่มีทางให้ตายมันไม่มี uh, ทางทํำร้ายคนดูเอะโดนทุกหัวแล้วลราคิดว่าตายไหมก็หัวแบกตาถลนอ่นก็อาจจะไม่ตายก็ได้อาจจะพิการหรือเปล่าหัวแบกมาครึ่งหนึ่งแล้วตาก็ถลนมาข้างนึงา <c oughs> ตายแน่แน่ก็หัวมันยุบมาครึ่งอันนี้คือตลกแต่ไม่ได้ตามจากในคอมิกด้วยใช่ไหมคือตอนแรกไม่ได้ตามมาหลังไม่ตามในคอมิกก็ตาย ก็คืมอมัในทุบไอ้เนี้ยคอมมิกแต่ในคอมมิกอะมันทุบแค่คนเดียวแต่นี่มันทุบสองคนแล้วประเด็นคือที่เรารู้สึกอิมแพคกับเรามากก็คือแบบไอ้แค่นี่ยมันกําลังจะเมียมันเนี่ยคือคืออยู่ในหนึ่งในคนที่โดนโดนจะลุมประชาฐ า, านที่ให้นั่งอะเมียเมีย ม, มันใครเมียมันชื่อแม็กกี้แม็กกี้แม็กกี้ก็นั่งอยู่ด้วยแลแม็กกี้ท้องคือเรื่องของเรื่องที่กลุ่มเนี้ยมันจะต้องแบบออกไปทําอะไรกันอะที่มันโดนกดดันหนักจากกลุ่มกลุ่มให้เองเนี่ยโดนกดดันจาก นักจะกลุ่มไอ้เซาอไอ้กลุ่มตัวโกงเนี่ยเพราะว่าไอ้แม็กกี้เนี่ยมันจะคลอดลูกแล้วมันแบบเออปวดท้องมันต้องรีบไปคลอดเหมือนอารมณ์แบบกูกําลังจะรีบไปคลอดลูกแล้วแล้วไอ้พวกนี้ก็ดิ้นรนกําลังจะพาไปแบบพาคลอดพาไปนู่นไปนีน่แล้เจอไอ้เฮี้ยพวกนี้มานั่งคอยแบบกูไม่ให้คลอด ก, กูแกล้งกูปิดทางถนนกูอะไรกูฆ่ามึงเนี่แต่กูไม่ฆ่ากูต้อ น, นี้มึงจนต่อไปเรื่อยๆอแกล้งเล่นๆจนถึงจุดที่เอามานั่งล้อมหน้าแล้วก็มาสารภาพบาศมีเนแกันหรือไม่เบสบอลแล้วไอ้เฮี้ยเนี่ยคือผัว ที่กำลังดิ้นรนเพื่อให้เมียข้อลูกคือสงสัยว่าทําไมสถานการณ์ขนาดนี้มึงยังจะทเมคลูกกันอีกเหรอคือไอสัตว์คนมันอยากสซ้ำกันน่ะมันห้ามมันได้เดี๋ยววะคือมันก็เพิ่งมาเจอกันในเวอร์ชั่นในโลกที่มีซอมบี้อ่ะแล้วมันก็มาสซ้ำกันอ่ะแล้วมันก็ราการแล้วมันก็คือมันพัดผ้าจากการลายรอมาแล้วก็พยายามดิ้นรนตามหาคือเรารู้สึกถึงความเป็นไอเด็กซอมบี้ซ่าแต่เราเห็นความเป็นแมนความจะเป็นแฟมิลี่แมนของมันที่พยายามสร้างครอบครัว ความที่พยายามปกป้องผู้หญิงคนหนึ่ง เ, ออเป็นแบบมันพยายามคือผู้หญิงคนนี้โดนจับไปมันก็พยายามไปช่วยจากกลุ่มนูน้นกลุ่มนี้ผู้หญิงเนี่ยสิกออถ้าในกระตูแล้วสิกเอาโดนเอาไปข่มขืนด้วยนะเฮ้ยเออเออมันดาร์กมากแต่ในนีออ้ในหนังเนี่สิกจะไม่โดนเออแต่ประเด็นคือตอนนี้ลูกจะคลอดมันกําลังจะมีครอบครัวกันแล้วอะเ อ, อ้วอยู่ๆมึงไปฟ้าหัวมันทําไมลูกมันจะคลอดอะมึงแล้วคือกูมีกําลังจะมีลูกไะแล้วกูดูแล้วกูแบบทำพ้าเลยทีนี้โอ้ยแยมึงแบบโอ้ยมึงทําทําได้ยังไงวะแล้วแบบ คือกูชออ็อกอะช็อกมากอะแล้วแบบคือมองแล้วแบบคือมันแค่ไอ้จากอับอะมันตายกูก็แบบช็อก <c oughs> ระดับหนึ่งนะแต่แบบมันมันไม่ได้ช็อกแต่ไม่ได้เสียใจสูญเสีย <อะ S 2> แต่พอตัวนี้ตายมันเหมือนแบบเหมือนมึงทําร้ายตัวละครที่สําคัญที่สุดในเรื่องไปอ่ะคิอแบบเฮ้ยมึงทุบเกินอ่ะแล้วแบบตาถหลนอะกล้องจอ <ะ S 2> ับภาพคนตัวละครที่เหมือนทุกคนรักมากแล้วตาขหลนออกม า, า, าแล้วหัวแบะมาครึ่งหัว <c oughs> แล้วก็ กำลังชัดๆกระตุกนิดนึงแล้วก็พูดกับแผนามามองหน้าเมียแล้วก็บอกเมียร้องให้น้ำตาฟูทุกคนช็อกหมดพูดว่าผมจะตามหาคุณคือเหมือนกับมึงอ่ะสมองมึงอ่ะโดนทุบเล้งหมดแล้วแต่เหมือนจิตใต้สํำนึกมึงอ่ะสั่งงานปากให้พูด เ, เหมือนแบบเป็นจิตใต้สํำนึ ก, กบแบบแอไอแก็คือพูดเรื่อเก่าคือแบบมันพูดว่ากูจะตามหาคุงกูจะตามแบบมึงคือรู้แล้วว่าคื อ, เ, อ, อ, คอเหมือนแว บ, บแรกอาจจะเป็นอันนี้เราจินตนาการเองนะจังหวะไม้กําลังจะโดนหัวมันนะอมันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่รอด แล้วเซี่ยววินาทีตรงนั้นนะ่ะจิตต้าจำหนึ่งมันบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูจะตามหาคนที่กูรักให้เจอจะตามเพื่อไปดูแลเขาอืมถึงขัานหัวแบกมึงก็ยังพูดคําว่ากูจะตามหามึงเแย่โรแมนติกสัสสัส้กูว่ามันน่ากลัวเลยแล้วมึงมึงคิดดูคนกันจะตายกูจะตามไม่ไมันแบบว่า เหมือนแบบจะตามหาแบบในที่นี้คือไม่ว่าเราจะพัดผากันแค่ไหนเราจะตามหากันที่เจอมันเป็นอารมณ์สยองขวัญในสัตว์ไม่ไม่ใช่โรแมนติกไม่มันพูดแบบแบบทุกคนแบบที่อยากให้มันตายอะวิญญาณอย่างตามติดมึงไม่ไม่เข้าใจคือมันเป็นคนดีมากนะผีเกณฑ์มาคอยดูแลคือมึงไม่ต้องห่วงผีหรอกไอ้เทียในโลกนี้ไม่คือในเรื่องเนี้ยคือผีอยู่รอบตัวมึงเยอะมากแล้วอะบางครั้งมึงต้องแบบเดินกลางฝูงซอมบี้เดินอะไรกันอย่างนั้นเลยที้เกมเขาก็เล่นเล่นไปแล้ว8เอพิโซดนะแปิเอพิโซดเยอะมาก เยอะเยอะแล้วก็ตายแล้วก็ช็อกช็อกมากแล้วหลังจากนั้นก็มีไปอ่านแล้วก็จบตอนอันนี้คือตอนในซีซั่นเจตอนหนึ่งหุ้ยตอนหนึ่งเปิดเรื่องมาขนาดนี้เลยก็ช็อกแล้วก็แบบพลดูแบบักแบบโอ้ปูนี่เล่นนอนไม่หลับไปเลยช่วงนึงแบบมันแบบคือคือตอนแรกเราก็คิดว่าเราเป็นคนเอียวเพื่อนที่ทํางานก็แม่งไลน์มาเลยส่งมาบอกว่ากดกําลังใจกับชีวิตว่าอย่างนั้นเลยเหรแบบเพื่อเครียดอะไรเรื่องงานเรื่องอะไรหรือเปล่า สองรูปมาเกณฑตาย <c oughs> คือแบบคือคือถ้าเกิดคนไม่ได้รู้วแบบ่ามึงปัญญาอา่อนบ้างแต่เราคนที่ดูหนังมาเหมือนกันแล้วเราแบบมึงปัญญาอา่อนกูเข้าใจกูเขารู้สึกเหมือนกับความขเขารียกว่าอะไรนะผูกพันกับตัวละครคือพรุ่งนี้กูไม่อยากไปดำงานกูรู้สึกหมดอะไรตายอย่า ง, างนั้นเลยอะเหมืนอมนจะตายแม่ตายคนแก้ตัวตายโอ้คือมันแบบมันเป็นอารมณ์หดหูจริงหดหูหดหูมากแล้วหลายอย่นั้นเป็นยัไงก็จบตอนแบแล้วรออีกอาทิตย์นึง ถ้าเป็นอารมณ์แบบเห็นความโกรธแค้นความเครียดแค้นเราก็ไปนั่งดูคนซีเรียลไหมที่ต้องแบบว่ารอดูควันนี้วันพฤหัสอเอแน่นอนเราบอกแล้วรอเปิดดูแล้วคือเราดูเราเราไม่ได้มีไอเขาเรียกอะไรนะคือพวกนี้มันสายทําช่องของมันใช่ป่ะของประเทศไทยมีซับไทยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่อ่าสะสมเด็จหน้าอ่าก็เอาเป็นว่าอยู่ในช่วงไว้อะไรไว้อะไรก็เลยทําให้ไม่มีอ่าตรงนี้ให้ดูแต่ทีนี้อ่า เราก็หาช่องทางอื่นในการดูซึ่งคิดว่ามีช่อง ท, งทางที่เร็วที่สุดแล้วแล้วมันก็จะมาวันจันทคิดว่าดีเลยจากต่างประเทศประมาณไม่กี่ชั่วโมงอ่ะมันก็ใส่ซับไทยมัก็รีบฉายเราดูเลยเร็วมากขนาดนั้นเลยเหรอมากคือเขาใจรักใช่แล้วคนตามเยอะมากถ้า ต, ตอนนี้คิดว่านะ่าจะเป็นซีรีส์อันดับหนึ่งของของโลกเลยมั้งที่กระแสรีวิวดังมากมารมาการะแสแบบความนิยมสูงสุดในช่วงเวลานี้นะใช่นะตอนนี้นะแล้วนี่ยกี่ตอนแล้วครับสี่ ก็ข้ามเข้าเลยแล้วกันคือพอเกณฑตายคนโกรธแข้นคนดูโกรธแข้นอยากรู้ว่าไอ้กลุ่มนี้จะโดนเยี่อะไรเอวไม่เบ็บอลเนี่ยไอ้แกนเนี่ยมันจะโดนอะไรแต่คือเราแค้นก็จริงแต่เราก็ชอบมันในตัวทั้งรักทั้งเกลียดคือคนส่วนอยากจะเกลียดเราหมดแต่เรารักเรารู้สึกเป็นตัวละครที่เซอร์ไพรส์บุ้งบอามึงเล่นกับจิตวิยาคนดูมึงเล่นกับอะไรแล้วเราก็แบบหลังจากเกณฑตายสิ่งที่เราทําก็คือในอาทิตย์หนึ่งหลังจากรอดูนะอื กูก no uh, yeah, sí, ah ็ไปนั่งรีวิวหาข้อมูลของไอ้ไอเนียไอเนี้ยไอเนแกเนี่ยมันใครมาไงอานการ์ตูนเออจะเสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรอ่ะเสียงอยู่รีวิวนะเอาไอนี้มารีไอแว็กมึงอ่ะออกแบบอะอ่ะก็ พออาทิตย์นั้นเน่เราก็หาข้อมูลในแกลนแล้วเราไปดูในการ์ตูนด้ยแม่งต่างกันกันกนกบคาแรคเตอร์คือดูภาพกับดูตัวละครที่เขามาแคสแสดงแม่งต่างกันเยอะมากคือเราจะบอกว่าเราดูมันโผลมาเนี่ยแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงในเรื่องอออ่ะคือเราเพิ่งรู้จักคนนักแสดงนักแสดงคนนี้เพิ่งมารับแล้วก็มันโผลมาในเรื่องแค่ประมาณสักพักนึงแล้วเรารู้สึกเราหลงกตัวละครนี้ออแล้วเราก็เขียนมันมากด้วยแล้วเราก็ดูไปดู ว่ามันเป็นใครยังไงการว่าตอนเนี้เราก็สนใจถึงขั้นว่ากลับไปดูว่าคือจะบอกว่ามันคือใครวะเออในการ์ตูนมันเป็นยังไงเป็นผู้ชายคมบึกบึกควายๆถึกๆหัวเม่งเม่งต่เหมือนสกินเฮดแล้วก็มีผมเถื่อนิดนึงอยู่บนหัวหน้าตาแล้วทำให้นิดถึงสกุลเงียเป็นคาแรกเตอร์เหมือนในพวกสกุลงีฮานามิจิในแซลมดังเน่ยหรือไม่ก็แบบไอยูยูฮักโกโชที่มันมีดาดาไปนั้นน่ยชื่ออะไรอุบาร์巴拉เออมันน่าจะเป็นไอพวกมนุษย์แบบนั้น่ะ คือแก๊งสเตอร์หน่อยเออมีความเป็นแก๊งสเตอร์แต่นี่เป็นหัวหน้าแก๊งแล้วเขาหัวออหัวแบบมีมีแบบหัวมงมิแล้วก็มีผมอยู่กระจิ๊งนึงอยู่ข้างบนหัว เ, ออเป็นเหมือนเหมือนแบบว่าปัดหัวเปียกแล้วเรียบแปะ <laughs> เอ อ, เ, อ, อ, เ, อ, อเป็นออออต้องบอกทรงผมปัดเปียกแล้วเรียบแป้แล้วตัว เ, ออเหมอนพวกนักอเมริกันลัม บ, บี้อ่ะตัวหนาๆใหญ่ๆอายุในนั้นน่าจะประมาณสี่สิบกว่าเออเดนมอร์แกนก็ดูแก่ไปนิดนึงแต่ปรากฏว่าบอกตรงๆว่าชอบนักแสดงเพรากกว่าเวอร์ชั่นกระตู คือเราดูแล้วเรารู้สึกแบบมันใช่อะมันคือพี่คนนี้เราดูเขามาหลายบทแล้วแล้วแต่คนนี้มันใช่เลยเห็นว่าล่าสุดนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่เห็นในบางเว็บเขาเริ่มมามีมามาอ่ามาแอ่าแสดงให้เห็นเขาเรียกไงว่เอามาเปิดเผยแผ่ว่าไอเดนมอแกนเนี่ยนักแสดงคนนี้กำลังจะเข้าชิงออสกาจากซีรีส์เรื่องนี้ มีขนาดนั้นเลยเหรอเออจากกลางว้คือไม่ไม่คือมันออกมาแค่แป๊บเดียวเองนี่หมายถึงว่าตอนประมาณสองสามตอนเนี่ยถึงขัานนั้นเลยอะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเออมันมีการเก่งแล้วว่าจะมีได้เสนอได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลของซีรีส์ซึ่งพอกูนั่งคิดก็มันก็สมเหตุสมผลนะมันยิ้งตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นซีซั่นตอนต่อมาก็เป็นแล้วตัวละครอื่นในกลุ่มที่ไปเจอกลุ่มใหม่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีกษัตริย์ปกครอง ที่อยู่กับเสือหรือเป่าเออไ <th ad> <น>อกษระสัตควิงอะไรของแมงแล้วแมงก็มานั่งสารภาพตอหลังว่าไอกรสัตรพพแมงก็พูดว่าจริงๆกูไม่ใช่กรัตริยหรอกกูเป็นแค่คนเลี้ยงเสือแล้วก็พอเกิด <c oughs> ซอมบี้พออะไรพอคนเห็นว่ากูมีเสือเขาก็คิดว่ากูยิ่งใหญ่กันกูก็เลยต้องเรียนตามน้ําไปแล้วมันพูดคำหนึ่งที่เราปรทําใจกินใจบ้าจากมันพูดคําว่ามันทําให้สะท้อนภาพรวมผมมันดูจริงๆคือเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งมันดูต้องการผู้นํำและเมื่อถึงจุดจุดหนึ่ง ผู้นำมีหลายรูปแบบมีทั้งกษัตริย์มีทั้งผู้นําประเดด็จการอย่างเนแกนันผู้นําประชาธิปไตยก็มีอืมในกลุ่มของของของไอ้คิงเสือเนี่ยอืมคือกลุ่มผู้นําที่เป็นกษัตริย์ประชาชนยินยอมให้เขาเป็นคือตอนเนี้ยมันแบ่งเป็นคิงด้อมแบ่งเป็นอาณาจักรแบ่งการปกครองรูปแบบต่างๆแต่ถ้าที่เราดูเนกันยิ่งใหญ่สุดเพราะในแกนกําจัดทุกกลุ่มและกลุ่มกษัตริย์ก็ต้องสรงสวยให้เนแกน ขนาดมึงเป็น ก, กษัตริย์เน<ท>ี่ยใช่แพ้ต่อระบบะเผด็จการใช่แล้วตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันคือการาแล้วแล้มีมีประชาธิปไตยไหมในนั้นก็คิดว่ากลุ่มพระเอกยยน่าจะใกล้เคียงกับประชาธิปไตยที่สุด ม, มีมีความเป็นเลือกกลุ่มผู้นําเลือกไรแต่พระเอกก็ค่อนข้างเผด็จการระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ใกล้เคียงที่สุดแหละถ้าเราดูอ่ะเป็นเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบเออก็มีไม่ขนาดใหญ่ก็มีการเลือกหัวหน้าแต่ทุกคนจะยอมรับพระเอกเพราะสถานการณ์มัน ทุกคนต้องอยู่รอดอก็เลยอยากได้ผู้นําที่เข้มแข็งแต่ก<ต>็พระเอกค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับคําว่ า, ว า, ารประชาธิปไตยที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นคาดว่าหลังจากเนี้แนวแนวทางนี่น่าจะไปหนักๆทางด้านกลางเมืองกลุ่มต่างๆก็ตอนนี้ตอนล่าสุดนะมันก็คือตอนที่เนแกนมาหากลุ่มพห้เอกอันนี้นิดเดียวสั้นๆตอนนี้เราดูมันค่อนข้างจะเป็นตอนที่เชนเนแกนกับกลุ่มกับพระเอกคือเนแกนอะกลับมาพร้อมกับเดริว ที่เอาไปเป็นลูกกระจอกอะอกลับมาแล้วก็ในแกมมันกเ็เอาเอาไอ้มาข้างว่างี้คือมาเก็บสวยให้เอกอ ะ, อะมาปุ๊บแล้วก็มานั่งคุยแล้วก็ให้พระเอกถือไมค์เบนบอลให้หน่อยแล้วตัวเองก็นั่งตลกแดกไปวันๆคือแบบรู้ไงว่าเพา็กเครียดแคนมากแล้วไมันเป็นบอลกูไปถือจะฟาดหัวกูไปไหนก็บอกแล้วไงมี ด, ออด้วยเอออารมณ์นี้เลยคือกูไม่กลัวพระเอกก็คือกูแบบจริงๆถ้าเรารู้เราจะรู้ว่าพระเอกนี่คือข้ามาด่ามาก ถ้าถ้าแต่ไม่กล้าฟาดแล้วที่ฟังมาเนี่ยถ้าเอาหานี่ก็ในแกนคนเก่าตายพวกพวกเอกกลายเป็นในแกนคนใหม่ขึ้นมานี่ฮ่าเลยนะคือกระตูนบันดในแกนยังอยู่จนถึงทุกวันนี้อืในหนังก็เลยคือเราเห็นไหมกับตัวตัวนี้ที่เป็นเออแล้วเราก็ไม่ตายแล้วก็คือเอกมันไม่กล้าทุบเพราะมันรู้ว่าถ้าทุบตายกันยกหมู่บ้านลูกมันก็ตายเมียใหม่มันก็ตายหมู่บ้านมันตายแน่จะมีการลุกฮือว่างั้นเถอะอ๋อไม่ไม่ได้ลุกฮือคือกลุ่มในแกนมันใหญ่กว่าเยอะมากมันสามารถกำจัดกลุ่มเอกได้ภายในพริบตา เพอกตอนนี้แค่ขอกูอยู่แล้วหอะส่วยคืออะไรเขาส่งอะไรไปคือแล้วแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ว่าในแกนต้องการอะไรแต่ในแกนมาที่นี้คือกูอยากได้อะไรกูจะเอาแต่สิ่งที่เอาไปคืออาวุธทุกอย่างรีบหมดเลยไม่ให้กลุ่มนี้มีอาวุธแล้วก็เตรียงไปสองย่านเตียงเอาไปทำไมวะไปนอนก็ตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแล้วก็จบซีซั่นคือที่อาวุธไปเพื่อป้องกันกลุ่มเพ่กลุคคือออ่านี้เม็เซนแต่เตรียงเอาไปทําไมคือกูว่คิดกลุ่มพวกมึงไม่ให้ใหญ่ไม่ให้นอน ก็ไม่รู้ตอนแรกก็งงๆแล้วพอจบตอนสุดท้ายอีนางเอกคนใหม่จริงๆมันเป็นมิชชัมีนางเอกคนใหม่นี่คือมีคนเก่าคือมีหลายคนคือเมียเพศคนล่าสุดแล้วกันอ่ะโอ้โหคือมิชอมีคนเป็นนิโกดําๆถือดาบซามูไรโอ้เป็นตัวละครที่ชอบมากตัวหนึ่งแล้เราไม่คิดว่ามันจะได้กันเอออีมิชอนเนี่ยไปเจอก็คือว่ายง่ายหลังจากอีภู๋กลุ่มพคนนั้นกลัำไปแล้วเนี่ยอีมิชอนก็ไปเจอเตียงเวยไหมเป็นกองเตียงตัวเองไปด้วย ก็คือเจอเตียมของกลุ่มตัวเองอะเป็นกองเลยแบบเป็นร้อยๆเตรียมอะในในรูปนี้จำไม่ได้กานช็อตนั้นมันมันถ่ายช็อตเดียวให้เห็นเตียมเยอะกูจำไม่ได้เตรียมแต่เยอะมากคือเตียงของน้ำหมู่บ้านของทุกคนเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเป็นกองแล้วก็โดนไฟไหม้แล้วก็จบเผาโชว์ไม่ไม่ได้โชว์กูไปเผาที่อื่นคือนี่ออกไปนอกหมู่บ้านเราไปเจอแบบเผาแบบคือกูขับรถออกจากหมู่บ้านแล้วกูไปเผาซาเนี่ยเออเป็นซากเตรียมถูกเผา จะหมู่บ้านไปคือกูเอาเตียง ม, มึงไปแล้วพวกใพืง้ง่ายๆคือแบบทําลายทรัพยากรอ่ะไม่กูไม่ต้องการให้มึงสบายนั่นคือสิ่งที่กูเดานะว่ามันต้องการคือแน่นอนอยู่แล้ว <S <S <อ>มึงมึงคือพวกมึงจะอยู่กันสบายเกินไปไม่ไมต้องนอนกับพื้นมึงจะอยู่กับแบบนี้ไม่ได้อาวุธกูยึดไปแล้วประเด็นคือแล้วมึงจะกดขี่ข่มเหงอะไรพวกนี้ตอ่อเยอร้อยเลยเหรอะขนาดนั้นเลยเหรอใรุ่อาจจะไม่ถึงอาจจะสักสามสิบสี่สิบไม่รู้อ่ะแต่คือแต่ในความคิดกูคือเราพยายามสะท้อนกับกระโดนมันต้องเยอะอะ อแต่ในภาพบางทีมันถ่ายทอดด้วยภาพช็อตเดียวช็อตหนึ่งสองสามวิเราก็ดูไม่ทันเนี่ยแล้วเราตอนแรกเราดูเลย่อเรื่ออะไรไม่ไหม้เมือนนะเรารู้มันคืออะไรที่ถูกไหมสักพักนึงอ๋อเตียงจบแล้วก็รอดูอีกทีหนึ่งอีกไม่กี่วันนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อคือซีซั่นหนึ่งมีสิบสองตอนแล้วแต่ซีซั่นแล้วแต่ซีซั่นด้วยแต่ซีซั่นนี้น่าจะใช่ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือเราอยากเป็นคนที่แบบไม่อยากมีข้อมูลพวกนี้เยอะเพรข้อมูลพวกนี้มนันทาให้เราเ๋ยจะดูไม่สนุกใช่เราพยายามรับรู้ให้มันน้อยที่สุดล้วดูแบบพร้อมคนดูดูแบบไม่รู้อะไรมากอ่ะคือถ้าใครที่อยากจะตามานอกนจาก<ด>อะไรที่อดไม่ได้ออก็ตามได้เลยนะก็อยู่ในช่วงที่สนุกช่วงหนึ่ง เออหรือว่าจะไปตามดุ้นแต่ซีซนหนึ่งก็ก็ยังได้อยู่คือคือคือการฟังหนังเหนียวของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่ามาสปอยเพื่อที่จะกูไม่ต้องดูแล้วช่างแม่งอะไรเงี้ยคือรสชาติต่างกันนะถ้าดูแลอยากไปดูก็ไปดูได้ยังยังไม่ถึงขั้นที่จะไม่ดูแลจะเสียใจนี่พูดขนาดนี้ได้รู้สึกว่าแบบพีเซนต์กันหนักมากแล้วทุกคนก็ติดกันมมงงียมมากคือไม่หรอกมันใช้คาว่าไม่ดูแลจะเสียใจไม่ได้เพราะว่าอคนไม่ชอบหนังซอมบี้ดูไปก็เท่านั้น เขายกย่องว่าในบรรดาหนังซอมบี้ทั้งหมดอันนี้คือเบอร์หนึ่งคือเขากําลังจะบอกว่าซีรีส์ทำได้ดีกว่าหนังแล้วถึงขั้นจําชื่อเขาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหลังหาข้อมูลมาบอกนะเอคนที่เหมือนแบบเป็นปรมาจารย์ด้านหนังซอมบี้ต้นกำลังซอมบี้ที่ทําซอมบี้จนเติบโตทําหนังหลายๆเรื่องที่นักวิจารณ์ยกย่องออกมาบอกเลยว่า walking dead เนี่ยแหละจะทําให้วงการหนังซอมบี้วิบัติเพราะมันขย่อมมาตรฐานจนทําให้หนังตามไม่ทัน ห่างไม่มีทงทําซูได้แล้วเป็นเพราะว่า Walking d เด d เนี่ยมันมีหลายซีซันหลายตานหรือเปล่าขณะที่หนังเนี่ยมันมีจำกัดแค่แบบสองชั่วโมงสชั่วโมงเวลาเยอะในการเล่ารายละเอียดสองทุนสร้างที่มันสมงมากคือคือพอฟัดพอเวียงได้เลยคือตอนนี้ถ้าจะบอกว่าถ้าจะมีหนังซอมบี้ที่สู้ได้ก็เหลือแต่วั r วอร์ซีอต้องระดับแบบ วิน้าสตโรขนาดนั้นเออแบทพีทมาเองอ่ะทิมจะมาทนกับเขาวะเออรอดูครับรอดูไปด้วยกันเดี๋ยวมาโมให้ฟังก่อนอ่าถ้าใครชอบหนังสไตล์ซอมบี้ก็เข้าไปดูกันได้เดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงมีรุ่นน้องน้องที่ออฟฟิศคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาชอบแบบวอลกินเดย์มากอะไรที่เป็นซอมบี้ที่ผมแบบจับมาหมดเลยทั้งเกมทั้งหนังทั้งอะไรคือดูมาหมดแล้วเขาก็โยกให้วอลกินเดย์เนี่ยเป็นเป็นเบอร์ของเขาเหมือนกันไหมอืม แสดงว่ามันมันอาจจะไม่ได้รู้สึกแค่คนเดียวเออมีมีมีคนที่ว่าเขาชอบซอมบี้หนักๆอยู่เหมือนกันเาถึงเขาเขาาถึงขั้นพูดว่าถ้าเขาจินตนาการว่าถ้าเมืองเนี้เป็นซอมบี้คือเขาอยากจะทำมากอยากให้เป็นอย่างนั้นกูกูจะได้ใช้ชีวิตอยู่แบบบล็อกกิ้งเดย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วกูใช้สกิลทุกอย่างที่กูมีเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างง่ายไดย้ว่ากูศึกษามาเยอะขนาดนั้นเลยเออบ้าไปแล้วคือ ชอบอะไรที่เขียนใน w o r k i n g d a y นะสําหรับกูนะกูชอบตรงที่คือตอนแรกอ่ะหลายคนเริ่มเบื่อกับการที่มันจับจากการเอาตัวรอดของมนุษย์เนี่ยมาเล่นเรื่องการเมืองเรื่องการแข่งแย่งการชินดีชิงเด่นของในหมู่มนุษย์แล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆคือเราอย่างกูเนี้ยทำงานสังทงานกลุ่มทําทํางานออฟฟิศทำอะไรต้องอยู่กับคนเป็นมนุษย์ที่ต้องสื่อสารต้องเจอคนเยอะแล้วเรารู้เลยว่ามนุษย์มันมีด้าน สว่างใะด้านมืดแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นการมื้อย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออกูเชื่อ ว, ว่ามันจะเป็นอย่างงี้ <c oughs> คือสุดท้ายมนุษย์ก็อยู่ในเป็นสัตว์สังคมอย่างนี้ดีกว่าเออเราอยู่กันเป็นกลุ่มเราอย่างต๊ะอย่างเพศ ช, ชายนะเรามีลูกเรารักลูกเรามีเมียเรารักเมียแต่เราก็ต้องการมากกว่าลูกกับเมียเราต้องการที่จะมีเพื่อนเราต้องการที่จะแบ่งปันต้องการที่จะเป็นสังคม และเมื่อเรามีตรงนี้เราก็จะมีกลุ่มของเราเมื่อเรามีกลุ่มของเราเราก็รักในกลุ่มเราแล้วเมื่อมีกลุ่มอื่นมันมาทําร้ายกลุ่มเราเราก็จะโกรธแคนนมีอินนีอินอยู่ใช่ไหมคือมันคือมนุษย์อะอ่ากูเพื่อนมึงกลุ่มเพื่อนเราวันหนึ่งมีคนที่มึงไม่รู้จักมาทําร้ายพวกเราเรายอมเฮ้ยเดือดร้อนนี่เป็นฟืนนไฟใช่แล้วมันเล่นกับจิตมันจิตวิทยาความเป็นคนการดํารงอยู่อืมความหมายของชีวิตมันมีอะไรหลายอย่างแอบแฝงปรัชญาในนั้นเยอะมาก ก็ถ้าใครจะไปดูก็ยินดีต้อนรับสู่โลกของ Walking d e a ทนะครับส่วนใครที่ดูแล้วเราก็ถือว่ามีมีเพื่อนดูหนังด้วยเพิ่ ม, มคนผมขอบอกเลยตอนนี้ผมเป็นทีมในแกงครับคนละไม่รู้ว่ามีใครชอบหรือยังคือตอนนี้อาจจะเกียดกับทั้งประเทศแต่ผมชอบมากและอนาคตผมจะเป็นแฟนขับมันทีม ne ี้แกงโอเค Walking d e a ทแค่นี้นะครับโอเคคัทครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับอีพีที่หนึ่งของเราก็เป็นงานบ้างเบิร์ดความรู้สึกหลังจากจบอีพีแรกคือจริงๆเนี่เราอยากจะทำมาตั้งนานละแต่ว่ายัางไม่มีเวลาทำสักทีถึงตอนเนี้ยคือได้ทำละคือก็ต้องมานั่งแบ่งเวลาให้กับมันมันคืองานดิเลกที่เราชอบอะ่ะก็หวังว่าคนอื่นก็น่าจะชอบด้วยเหมือนกันละมั้งถ้าไม่ชอบก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาด่ากันได้นะ <laughs> ที่ facebook novemberfilm.th นะครับก็ลองเซิร์ชหาดูได้พอดแคสต์ Podcast ก็มีเหมือนกันครับลองดูครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากไว้เจอกันอ p ีหน้าครับยังไงเราก็ขอจบ EP หนึ่งแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากช anel ของเราหนังเหนียวของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับ